นึกถึงโอวาทของพระผู้มีพระภาคกันนะเฉพาะในวิสุทธิมรรคท่านยกโอวาททั้งสี่โอวาทมาให้เห็นว่าความโกรธนั้นไม่ดีเพราะขณะที่โกรธเกิดขึ้นนั้นท่านก็สรุปให้เราฟังว่าคนที่โกรธอย่างนี้เนี่ย ก็เชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขณะไหนที่ความโกรธเกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามตรงกันข้ามขณะนั้นเนี่ยไกลาจากคำสอนอย่างมากเพราะโทสะนั้นไกลาจากศรัทธาการถึงพระธรรมคำสอนนั้นก็ถึงด้วยศรัทธาเป็นต้นขณะที่โทสะเกิดขึ้นมันก็เผาศรัทธาเป็นต้นนั่นแหล ศรัทธาในขณนะนั้นก็เหงื่ดแห้งไปแล้วก็ในขณะที่โทสะเกิดนเปรียบเทียบธรรมดาแล้วระหว่างคนที่โกรธก่อนกับเราเนี่ยโกรธกับเขาทีหลังโดเฉพาะเปรียบเทียบกันเฉพาะหน้าเนี่ยเรานี่เล็วกว่าเขาเขาโกรธมาแล้วเราโกรธตอบเหมือนกับเขาร้องไห้มาแล้วก็ร้องไห้ตอบประมาณนั้น แล้วก็คนที่โกรธชื่อว่าเป็นคนที่พ่ายแพ้ปราชัยในสงครามเหมือนสงครามไหนสงครามชีวิตไงสงครามทางจิตใจสงครามทางกุศลอกุศลการเจริญกุศลนั้นเพื่อที่ละอกุศลนี้พระองค์แสดงอุปมาเหมือนกับการทำสงครามอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ฆ่าศึกศัตรู มีมีอะไรเป็นเสาระเนียรู้ไหมศัตรูเนี่ยมีตันหาเป็นเสาระเนียรนะเพราะเสาระเนียรก็คือเอสาสมัยก่อนเข้ามาปักปักปั ก, ปกทากำแพงเมืองอะ่ะตันหานี่มันเกิดทีเกิดบ่อยลักษณะแบบนั้นแล้วมีอวิชาเนี่ยเป็นเหมือนกับลิ่มสลักเป็นกรอนประตูไม่สา ม, มารถที่จะเราให้เราเนี่ยออกไปได้จนกว่าจะถอนอวิชาคือลิ่มประตูออกไปได้ อันขณะที่โศกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยสงครามครั้งนั้นเนี่ยเราแพ้และขณะนั้นนั้ น, นายแพ้ต่อสงครามว่าสงครามแห่งชีวิตแลวก็ถ้าพูดจำนวนการค้าหน่อยขณะที่เราโกรธนี้เสียดุลการค้าอย่างยับเยินหมดเลยเพราะว่าถ้าว่าเสียนี่เสียยังไงชีวิตเราเนี่ยที่ที่ได้มาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตาเนี่ยตาที่เรามีอยู่เป็นผลของบุญหรือของบาป <c oughs> ตาเนี่เป็นผลของบุญนะหัวก็เป็นผลของบุญนะจมูกก็เป็นผลเป็นผลของบุญลิ้นก็เป็นผลของบุญกายไม่ว่าตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ผมหมดตัวเลยนะมนุษย์นั้นเป็นผลของบุญแม้แต่ชาวนะาผวังคจิตนะขอไปผวังขจิตก็เป็นผลของบุญ เมื่อเป็นผลข้างบนเนี่ยแสดงว่าต้นทุนของเก่ามาดีมากเลยของเก่ามาด้วยผลของทานศีลภาวนาเป็นกุศลที่เป็นไปทางกายกรรมวิมจีกรรมมนโนกรรมนะบุญที่ให้มาเป็นลักษณะนี้ก็มาจากปุญญาพิสังขารแตพ่พอโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะโทสะเวลาให้ผลน่าจะได้เหมือนเดิมไหมนะจะทำให้มีตาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนแล้วนะให้หูเนี่ยหูเนี่ยใบยหูจะไม่เป็นแบบใบนี้ละ จะเป็นใบอย่างอื่นนะถ้าเป็นผลของโทสะนะจมูกก็จะเป็นจมูกอย่างอื่นผิวพรรณหน้าตาก็จะเป็นอย่างอื่นไปหมดเลยนั่นแหละอันโทสะเวลามันให้ผลก็จะให้ในลักษณะนั้นอันเราสูญเสีย ม, มากนะจะว่าไปในขณะที่โทสะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของเราอั้นคําว่าโทสะรวมถึงความเศร้าหมองด้วยนะความไม่สบายใจความหงุดหงิดใจความเครียดวิตกกังวลเนี่ย สิ่งเหล่านี้คำสอนกล่าวว่าเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งนั้นแหละนะแล้วคนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเครียดนี่มากที่เครียดนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะอะไรนะโรคโรคที่เกิดก็คือโรคไม่สมหวังนั่นแหละมันตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะแล้วก็จะหงุดหงิดแล้วก็จะเครียดทีนี้ในขณะที่หงุดหงิดเครียดนั้นก็แสดงว่าเราขาดเมตตาต่อตัวเองแล้วนะ แสดงว่าขาดเมตตาต่อตัวเองแล้วเมื่อขาดเมตตาต่อตัวเองเนี่ยจะพอกพูนเจริญเมตตานี่คงยากแล้วล่ะอันในขณะนั้นทํำยังไงเราจึงจะสามารถที่จะปลุกจะปลอบให้กําลังใจตัวเองได้อันชีวิตของเราเนี่ยนะใจ ก, ก็ก็ต้องมีกําลังเหมือนกันนะร่างกายยังต้องอาศัยกําลังใช่ไหมร่างกายนี้อ า, อาศัยอะไรเป็นกําลังนะอาศัยข้าวอาศัยน้ํานำะ มาช่วยเลื้อเกื้อกูลทำให้ร่างกายมีกำลังแล้วใจนี้อาศัยอะไรเป็นกำลังกำลังของใจมีอะไรบ้าง น, น, นะหน่งศรัทธาพระทำยังไงใจของเราจะมีศรัทธาพระมีกำลังคือศรัทธาทำยังไงใจของเราจะมีหิรินะฮิริโอตะปะนี่ก็เป็นพระนะฮิริโอตปะนี่ก็เป็นพระด้วยทำ ย, งงจจำทำยังไงใจจึงจะมีกำลังคือหิริโอตปะทำยังไรใจจึงจะมีกำลังคือ วิริยะนะกำลังของใจอะ่ะทำอย่างไรใจของเราจึงจะมีกำลังคือสตินะทำยังไงจึงจะมีกำลังใจคือสมาธิทำอย่างไรกำลังใจคือปัญญาจึงจะเกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้าหากว่าช่วงใดที่จิตใจอ่อนจากศรัทธายิริโอตัปปะอ่อนจากสติอ่อนจากสมาธิอ่อนจากปัญญากุศลรธรรมเหล่านี้ไม่เกิดในใจขณะนั้นเนี่ย ใจนี้ไม่มีเครื่องป้องกันแล้วใจไม่แข็งแรงแล้วใจอ่อนแอนั้นคนที่ใจอ่อนแอแล้วก็แสดงว่าชีวิตในขณะนั้นนี่โรคภัยกําลังเล่นงานละโรคไหนเล่นบ้างอ่ะโรคคือโทสะนี่ก็เพา โ, โรคคือโลภะก็เล่นงานละโรคคือโมหะนี่ก็ซ้ําเติมอยู่นั่นแหละนั้นชีวิตของคนเป็นโรคก็เป็นชีวิตที่ทรมานนะคนที่เป็นโรคทางกายเนี่ยนะ ถ้าเป็นมากก็ทรมานมากเป็นน้อยก็ทรมานน้อยคนที่เป็นโรคทางใจก็เหมือนกันก็จะทรมานอย่างนั้นแหละนะหาความสุขไม่ได้เลยจะมานั่งสบายใจนั่งอย่างมีความสุขสักสินาทีทาได้ไหมนะยากไหมยากนะแสดงว่าเรานี่ก็หาความสุขไม่ค่อยเจอเพราะหาความสุขข้างนอกเราก็หากันหมดแล้วเอความสุขทางใจเนี่ยหายากจริงเลยที่มันหายากเพราะใจเราอ่อนแอไม่มีกาลังอ่ะ ไม่มีกำลังคือศรัท ธ, ธาเป็นต้นต่อเมื่อเรามีกำลังคือศรัท ธ, ธาสามารถที่จะเจริญพุทธคุณได้นะอันนี้ใจของเราก็จะเริ่มมีกำลังขึ้นหรือถ้าใจของเรามีฮิรโอตา ป, ปะปรารบถึงพวกเทวตานุสติเป็นต้นได้ใจของเราก็จะมีกำลังขึ้นหรือใจของเราเนี่ยมีสติปฐานเป็นไปกับสติปฐานเป็นไปกับการพิจารณา ทมอย่างใดอย่างหนึ่งใจในขณะนั้นก็มีกําลังขึ้นแนละหรือว่าใจเป็นไปกับพรหมิหารนะสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่กับเมตตาตั้งมั่นอยู่กับกรุณามุ้ทิตาหรืออุเบกขาอันนี้ก็ชื่อว่าใจเรามีกาลังขึ้นหรือว่าขณะที่ใจนี้สามารถที่จะพิจารณาเห็นอริยสัจได้นะใจในขณะนั้นก็เป็นใจที่ไม่อ่อนแอเป็นใจที่มีกําลังจรงิง การศึกษาคําสอนนั้นสอนเรื่องทุกข์ก็จริงอยู่แต่ไม่ได้สอนให้เป็นทุกข์ท่านสอนให้มีกําลังใจท่านกำลังใจของผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นมีความเข้มแข็งสูงมากนะเรียกว่าภูมิต้านทานทางความคิดนี่สูงมากในความโกรธที่เคยโกรธมันก็จะลดลงนะความโลภเป็นต้นก็จะลดลงสติปัญญาก็จะมากขึ้นสามารถที่จะตระหนักถึงอย่างถึงกรรมและผลของกรรมได้ ัการเจริญเมตตาเป็นต้นนั้นถ้ากรรมสกตาอ่อนเราจะเจริญเมตตาได้ไม่นานและจะเจริญได้ไม่มากและจะไม่เห็นคุณค่าของของเมตตาด้วยเพราะเราจะเราเวลาเราโกรธเราก็จะยินดีในความโกรธด้วยนะเพราะโทสะมีฉันทะเกิดร่วมด้วยทีนี้พอโทสะเกิดน ะ, ะเจตสิกอื่นๆที่มันเกิดร่วมกับโทสะก็จะเกิดด้วยใช่ไหมเจตสิกอื่นๆเช่นเช่นอะไร มัฉริยะเจตสิกก็จะเล่นงานเข้ามาด้วยนะกุกุจะเจตสิกก็จะเล่นงานเข้ามาด้วยอิศสาเจตสิกก็จะเล่นงานเข้ามาด้วยโทจตุกะก็จะเข้ามาและสลับเรียงหน้ากันมาทีละคนทีละตัวทีละตัวและเล่นงานแล้วภาษะในขณะนั้นก็เป็นภาษะที่หยาบกระด้างนะภาษะที่เกิดขึ้นในขณะโทสะนะภาษะที่หยาบเวทนาก็เวทนาที่ทุกข์ทรมานเป็นโทมนัสเวทนา โทมนัสเวทนานี้ทุบบวกมณะนะทุกก็คือแปลว่าไม่ดีเนาะเอาสระอุเป็นสระโอก็เลยเป็นโทนะทุกแปลว่ามันไม่ดีนะมณะก็คือมณัฐอะโทมนัตก็คือมณัตตัวหลังก็แปลว่าว่าใจใจในขณะนั้นเป็นใจที่ไม่ดีแล้วอันเวทนาในขณะนั้นเนี่ยก็ทําให้สภาพจิตเนี่ยทุกทรมานนะแล้ว เนะวทนาเจตนาเจตนาเหล่านั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะเจตนาเหล่านั้นถ้าเป็นกายกรรมก็เป็นกายกรรมที่ไม่ดีละถ้าเป็นเรื่องออกมาทางวาจาก็เป็นว จ, จีกรรมนึกคิดอยู่ในใจก็เป็นมนโนกรรมกรรมเหล่านั้นก็ทำไม่ดีแล้วนะนี่ก็ไล่นะภาษะเวทนาสัญญาสัญญาในขณะนั้นขณะที่โทสะเกิดนี่เขาเรียกว่าพยาปาทสัญญาหรือวิหิงสาสัญญาเป็นอกุศลสัญญาก็จะเกิดขึ้น มณสิการตรงนั้นก็ชื่อว่าเป็นการมณสิการที่ที่เป็นไปกับอากุศลเรียกว่าอโยนิโสมมณสิการนะเป็นการสายใจที่ประกอบกับอากุศลก็เลยเป็นอะโยนิโสมมณสิการเลยนะเราลองมาไลา่เจตสิกว่าขณะที่โทสะเกิดขึ้นนั้นเอเจตสิกที่เกิดร่วมกับโทสานี้เป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าหลายท่านก็ศึกษาพิธามมาเยอะเลยนะนะภาษาก็เป็นภาษาที่หยาบนะ เวทนาก็เป็นเวทนาที่เป็นโทมานต์สัญญาก็เป็นพยาปาทะสัญญาวิหิงสาสัญญานะมนานสิการก็เป็นไปกับอะโยนิโสมนานสิการชีวิตขณะนั้นเป็นชีวิตยังไงชีวิตได้ดีไหมอ่าชีวิตคนนั้ น, เ, นเรียกว่าชีวิตก็เหลือแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกันแล้วถือว่าเป็นชีวิตที่ปำหมาที่สุดเลยชีวิตในขณะที่ใจเป็นไปกับบาเปเ็นไปกับอกุศลนะ ชีวิตที่เสียหายแล้วนะเรียกว่าจะถอนทุนคืนไม่ได้แล้วนะจะถอนทุนคืนให้มันได้วิบากกรรมไมช่รูปเท่าเดิมเนี่ยยากนะจะให้มันมาได้เท่าเดิมเนี่ยคงยากแล้วเพราะชีวิตที่เป็นปายกโทสะเป็นชีวิตที่ชั่วแล้วเป็นทุชีวิตนะเป็นทุบชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่ดีเป็นชีวิตที่ไม่น่าปรารถนาแล้ววิตกอ่ะวิตกดีไหมขนาดนั้นวิตกก็เป็นพยาปาทวิตกเป็นวิหิงสาวิตก เออวิตกนี่ก็เสียหายแล้วแล้ววิตกพวกนี้ถ้าปล่อยให้มันเกิดมากๆนะมันเป็นชานะปัจจัยอ่ะแต่ทีนี้ไอาชาญอย่างเงี้ไม่น่าปรารถนาหรอกถามว่าเป็นนักเพ่งชาญไหมเป็นแต่ ว, ว่าพยาปาทะชาญอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ไว้เลยเนะวิตกเป็นไปกับพยาบาทอย่างเงี้โยโหชีวิตเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยแล้ววิจารณเนี่ยวิจารณก็เป็นมโนโปวิจารณ์ที่ไม่ดีละ มโน ว, วิจารนึกถึงสีเสียงกลิ่นรสโภตพภะธรรมรมเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อันมโนวิจารนั้นนั้นก็เป็นไปกับทุกข์นะวิจารณ์นี่เป็นไปกับทุกเลยแล้วอธิมโมกะ่ะจิตใจก็ดิ่งไปกับกับบาปนะใจก็ดิ่งไปกับอกุศลปีติไม่เกิดนะปีติไม่เกิดเพราะใจเนี่ยมันแห้งเกินไปปีตินี่จะเกิดร่วมกับใจที่สดเชิ่น อนะจิตใจที่มันเหี้มเกรียมเนี่ยปีติเขาไม่กล้าเกิดแล้วเขากลัวเขานะเจอโทมนัตเวทนาเนี่ยเผาปีติอันนั้นทิ้งทั้งหมดพอปีติไม่เกิดแต่ฉันท่าเกิดนะเพราะว่าคนโกรธนี่ยมันเต็มใจโกรธมันสะใจนะเวลาโกรธเนี่ยทั้งเต็มใจทั้งสะใจทั้งมันในอารมณ์หน้าดูเลยนะถ้ายิ่งได้ด่ามากขนาดไหนก็เอ้เสร็จเราแล้ ว, ลวงานนี้ประสบความสําเร็จแล้วเราบาปสมความตากธนาแล้วนั่นแหละ โทษก็ต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉันทะนะวิริยะเกิดขึ้นนะวิริยะเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะด้วยนะมันโกรธมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยยินดีที่จะพอกพูนความโกรธอันนั้นให้มากๆอ่านะเพราะฉันทะเกิดขึ้นเป็นอธิปฏิปัปจจัยด้วยนะแล้วก็วิริยะอันนั้นก็เป็นอธิปฏิปัปจจัยด้วยนะมันเติมใจเต็มที่เลยนะมันเพียรพยายามทำยังไงก็ได้แน่แน่ บางคนเนี่ยลงทุนมากเลยนะเพื่อที่จะไปด่าไปถ้าไกลเลยน ะ, นะลงทุนไปด่าบางคนก็วางแผนหน้าดูเลยนะเ <c oughs> พื่อที่จะไปพูดไม่กี่คำเนี่ยให้เขาทุกขี่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะ <c oughs> วางแผนด้วยชั้นทะาด้วยวิริยะเนี่ยระดมมาชีวิตทั้งหมดเนี่ยระดมมาเป็นไปกับอกุศลนั้นโดยที่มีโทสะเป็นเหตุตุปจัยนะ <c oughs> โทสะนั้นก็เป็นเหตุตุปจัยเป็นรากของความคิดเป็นรากของจิตที่เป็นบาปนะ มันเป็นรากเง่าที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นแผลเพล้สัมปยุตธรรมอันจิตตชโรปที่มีโทสะเป็นสมุฐานนะจิตตชโรปสามมันก็ไม่ดีละวันนี้ทบทวนจุลตรีเฉยๆนั่นนี่นะจิตตชโรปสามมันนี่ก็ไม่ไหวแล้วนอะหัวใจนี่เต้นปกติไหมโทสะเกิดขึ้นนี่ไม่ปกติเลยนะหัวหายใจเป็นไงหายใจนี่กระหืดกระหอบเลยนะพราะว่าโทสะมากก็กระหืดกระหอบมากชีพจรก็เต้นไม่ปกติแล้วนะอะไร ที่ประจานก็เริ่มเต้นไหมปะกะติแล้วสีหน้าหัวใจมันเต้นมากขึ้นส่งเลือดสีดําเนี่ยนะมาหล่อเลี้ยงเต็มหน้าไปหมดเลยสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วเนี่ยนะร่างกายค่ํำคายแล้วโรคอย่างอื่นก็เล่นงานแล้วก็ดิเรียกโรคมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นกลายเป็นคนป่วยคนไข้นะเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยเป็นไงนะเผาออกแล้วครับเนี้เริ่มแพ้เริ่มเผาออก พระพุทธเจ้าห่างเลยคนนั้นพระองค์นี่ พ, พูดตจำนวนเรานะบอกว่าพระองค์นี่กลัวเลยอะ่ะพระองค์นี่กลัวใจอย่างนั้นที่สุดแหละว่างั้นไม่รู้จะสอนก็ได้ยังไงนะเวลาพระผู้มีพระภาคนั้นจะทรงสแสดงธรรมกับศาตว์ทั้งหลายเนี่ยจ ะ, สะแสดงธรรมกับสัตว์ประเภทไหนนะพระองค์จะเริ่มสแสดงธรรมเพื่อที่การสแสดงธรรมเบื้องต้นของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกับได้ผ้ามานะสมมติว่าเป็นอ่า ช่างซักที่ฉลาดนะพอได้ผ้าที่เปือเป้อนขมเมาเปื้อนฝนเปื้อนละอองมาถึงพระองค์ก็จะเอามาใส่น้ําซักก่อนน ะ, ะการซักของพระผู้มีพระภาคนั้นคือซักอย่างไรก็บอกว่าถ้ามันเปื้อนมากนะก็อาจจะลงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้น้ํายาชั้นดิชั้นแรงะนะ<ม>เพื่อที่จะมาซักให้ออกนะพวกเราเนี่นึกออกเลยนะก็ใช้อยู่ที่บ้านใช่ไหมน้ํายาซักผ้า ทีนี้ของพระ อ, องค์ก็จะใช้น้ํายาที่มันหนักหนักหน่อยพระ อ, องค์ก็จะยกถึงโทษของบาปโทษของอกุศลเนี่ยนะเพราะโทสะเนี่ยนะมันย้อมจิตในขณนะนั้นพระ อ, องค์ก็จะเอาพระธรรมเทศนาที่พูดถึงโทษของโทสะอันนี้แสดงว่าพระ อ, องค์เนี่ยฟอกใหญ่เลยนะเรียกว่าหาน้ํายาที่มาขัดเกลาวันนั้นออกมากและบางทีถ้าหากว่านนะมันอ่อนระดับหนึ่งแล้เพื่อที่จะทําให้ผ้ามันอ่อนนะพระ อ, องค์ก็จะพูดถึงเมตตา อ่อนที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้กายเบาจิตเบากายอะไรกายและหูตาจิตตาและหูตาต้องเบานะกายะปาคุญญตาจิตตะปาคุญญตาต้องเบาต้องอ่อนต้องคล่องต้องควรแก่การงานเมื่อจิตเขาเบาอ่อนคล่องควรแก่การงานจิตไม่เป็นไปกับนิวรห้าพราะองค์จึงประกาศอริยสัจนะประกาศวันนี้ทุกนี้ทุกขสมภูรไทยนี้ทุกขนิโรธ นีทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาอันพระองค์นี่เวลาจะแสดงธรรมประกาศอริยสัจต่อเมื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเขามีใจนี่เบาอ่อนคล่องควรแก่การงานแล้วพระองค์จึงจะแสดงธรรมประกาศเรื่องอริยสัจประกาศเรื่องรูปนามขันห้านะทีนี้ของเรานี่รเร า, าเอาคำของท่านมาบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้การนะอย่างอาตมาเองเนี่บอกเลยก็ไม่ค่อยรู้การว่าการนี้เนี่ยมันต้องอริยสัจนะการนี้อนุ่น ป, ปู่พี่คาการนี้ไม่รู้สักอย่าง นะตั้งหัวข้อยังไงก็ว่าไปตามนั้นหมดเวลากลับแล้วรู้อยู่แค่นั้นแหละขนาดตั้งเวลาบางทียังพูดตามไม่ได้เลยนั่นแหละนั้นแสดงว่าอ่บุญของเรานี้ห่างท่านจริงๆนะเรามีบุญห่างท่านทำยังไงนะศึกษาพระทำคำสอนมากๆจิตใจก็จะได้ใกล้กับพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์นี้ทรงรู้จริงๆนะพระองค์นี้ทรงมีบุญจริงๆเลยนะแล้วพระองค์ก็สา ม, มารถที่จะประกาศอริยสัจเพราะอย่าลืมว่า ถ้าทำคําสอนทุกหมวดทุกหมมีรถเดียวเนอะคำสอนมีรถเดียวนะต้องไม่ลืมมีรถไหนรสเปรี้ยวรถเค็มรถหวานรสมันรสวิมุติรถนะอ่าวิมุติรถคือรถที่หลุดพ้นจากอุปาทานนะก็คือคําสอนของพระองค์นั้นหลุดจากบาปหลุดจากอกุศลนั่นเองหลุดจากอุปาทานอุปาทานนี่แปลว่าการถือนะการถือด้วยอํานาจของ โลภะเรียกว่ากามุปลาทานการถือด้วยอำนาจของทิฐิเรียกว่าทิฏฐุปาทานการถือผิดจากความจริงเลยนะเช่นถือผิดจากกรรมและผลของกรรมเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าทิฏฐุปาทานหรือเข้าใจข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผิดไปจากแนวกรรมมศกตาข้อปฏิบัติเหล่านั้นเป็น สีละผ้ตูปาทานนะข้อปฏิบัติที่พ้นจากข้อปฏิบัติที่มีกรรมสกตาเป็นพื้นฐานนะข้อปฏิบัตินั้นชื่อว่าศีละผ้ตูปาทานสำคัญรูปโดยความเป็นอัตตาสำคัญเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาอันนั้นเป็นอัตวาทูปาทานนะอันั้นอัตวาทูปาทานก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะนั่นแหละเป็นอารมณ์แต่สําคัญว่าเป็นอัตตาเป็นอัตตา คือเป็นผู้สเสวยหรือเป็นผู้ถูกสร้างขึ้นมาคือถ้าลทัทธิอัตานั้นเวลาเกิดขึ้นกับอารมณ์ใดจะจะต่อด้วยศัสัสสสสตตทิฐิหรืออุเฉท ท, ทิฐิถ้าหากว่าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพวกนั้นจะต่อด้วยอุเฉทธ ท, ทิฐิ เช่นสำคัญว่าชีวิตของคนนี้จริงๆอ่ะตัวอัตราของเขาได้แก่เนื้อได้แก่เลือดนะได้แก่รูปร่างกายทั้งหมดเลยเขาคิดว่าถ้าเขาฆ่าคนนี้เสร็จนะจะได้ดับศูนย์่าพื้นฐานลักษณะนี้เป็นเป็นไปตามอำนาจของอุเฉท ท, ทิฏฐิแต่ถ้าสำคัญว่าอัตรานี่มันสิงอยู่ในนั้นนะ อัตตานี่มันเส็งอยู่ในนั้นเช่นผัสเช่นนามธรรมนามขันเนี่ยเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยส็งอยู่ในกายนี่แหละถ้ากายนี้ตายปั๊บอัตตาเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นเลยแนวความคิดลักษณะนี้เป็นไปตามสัสตะทิฏฐินะเป็นไปตามสัสตทิฏฐิอันนั้นก็อัตตาที่บนพื้นฐานของสัสตะทิฏฐิอันตัวสกายทิฏฐินี้เป็นไปตามสัสตะทิฏฐิเ น, นี่ยสิบห้าสิบห้า 15, 15อย่าง เป็นตามอุเฉททิฏฐิหอย่างมันเริ่มแบ่งตัวตั้งแต่ตั้งแต่สกายะทิฏฐิยี่สิบแล้วนะสิบห้ากับห้าทีนี้ไอห้าตัวเนี่ยเป็นไปตามแนวอุเฉททิฏฐิแนวอุเฉททิฏฐิจะไปเข้าสัมพันธ์กับอีกหลายเรื่องศาสตะทิฏฐิก็จะสัมพันธ์กับอีกหลายเรื่องจะแตกตัวไปเป็นแนวความคิดทิฏฐิหกบสองนะผู้ต้องการภาพพิสดารก็ดูได้จากพรหมชาลสูตรทีคณิกายศีลขันธวัชนะ เรียกว่าพรมชาละพรมก็คือพรมอะชาละก็คือไข่นะเป็นเหมือนกับไข่ดักพรมอะนะไขดักความคิดนะว่าสาัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่มีกรรมสกตาอยู่บนพื้นฐานของวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยจะตกเข้าไอาท้ทิศิอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมาเวลาอ่านแล้วนึกเอ๊แไอ้ที่ถูกเป็นยังไงวะเนี่ยอ่านคิดอย่างนี้ก็ผิดเอออย่างนี้ก็ผิดอีกอแล้วไอ้ที่ถูกเป็นยังไงเนาะ นนะก็ไม่เข้าใจอีกตอนนั้นนะนะตอนนี้ก็เข้าใจแต่ไม่มากนั้นเราจะเห็นว่าพื้นฐานของการศึกษาคําสอนนั้นต้องเป็นไปเพื่อถอนจากอุปาทานเหล่านี้อ น, นะที่จะถอนเป็นอุปาทานเนี่ยชั้นต้นเลยก็คือถอนถอนได้ยังไงถอนว่า น, นี้ทั้งหมดนี้คือขันห้านะอันนี้เป็นคําสอนที่ถอน ส, ะสะอัะสะกายะทิฐิแหละเนี่ยเป็นการกล่าวขันหานี่นะอย่าง ขันห้าท้งตาอย่างเงี้ยขันห้าทั้งหูคาสอนที่กล่าวถึงรูปนามขันห้าคำสอนเหล่านี้คือคําสอนที่ปฏิเสธอัตาว่าอย่างตาก็ไม่ได้มีผู้สร้างมีผู้สเสวยนะตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวชีวะจริงๆไอ้ที่เขาคิดนะแต่ตานี่มีชีวิตตรูปอยู่ด้วยแต่เป็นกรร ม, มชโรบแต่ไม่มีไอ้ตัวอัตาอยู่ในนั้นหรอกสีก็เหมือนกันไม่ได้มีอัตาอยู่ในสีนี้หรอกนะ ัตากับสีเกิดขึ้นแล้ววิญญาณจึงจะเกิดเพราะมีการมานสิการอย่างเงี้ยนะคําสอนลักษณะนี้ปฏิเสธอัตตาละนะแล้วก็บอกตา ก, ก็เกิดด้วยปัจจัยของตานะสีก็เกิดด้วยปัจจัยของสีนะก็ปฏิเสธลักษณะของทิฏฐนะิปฏิเสธลักษณะของทิฏฐิเออมันเด็เป็นอย่างนั้นหรอกะเพราะทุกอย่างพวกนี้เกิดด้วยปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีใช่ไหมตาเนี่ยมีเพราะอะไรมีตามีเพราะอะไรมีตามีเพราะมีมหาภูตรูป ตามีเพราะมีมหาภูตรูปคําว่ามหาภูตรูปนั้นก็คือตรงที่ว่าตานี้เป็นสลายตนะสลายตระนะมีอะไรเป็นปัจจัยมีรูปเป็นปัจจัยนะมหาภูตรูปมีอะไรเป็นปัจจัยมีกรรมวิญญาณเป็นปัจจัยนะวิญญาณนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชาเป็นปัจจัยนะเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีถ้าหากว่าอวิชชาดับสังขารที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมีไหมไม่มีนะถ้าดับอวิชชาพราะรู้แจ้งอริยสัจแล้วใช่ไหม ถ้าวิญ ญ, ญาณดับมหาภูตรูปมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มหาภูตรูปไม่มีเนีหห่ยจักรโมีไหมไม่มีถ้าจากักรโไม่มีจกักรวิญญาณจะเกิดไหมถ้าจากักรวิญญาณไม่เกิดนะวิถีจิตที่เป็นไปตามแนวจกักรวิญญาณก็ไม่เกิดเมื่อวิถีจิตเป็นไปตามแนวจกักรวิญญาณไม่เกิดเนี่ยนะไอชวนากรรมที่ทํากรรมใหม่ๆก็จะไม่เกิดะนะชวนะเหล่านี้ถ้าเป็นของพผ้ารหารก็จะเป็นกิริยาทันทีเลยเพราะท่านถอนอวิชชาได้หมดแล้ว อันชาติของท่านก็จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วนะท่านก็จะเป็นพระอรหันต์ใครแช่งไม่ให้ผูดให้เกิดเนี่ยขออนุโมทนากับเขาได้เถอะโอ้โหแสดงว่าคุณเนี่ยขอบคุณมากนะที่แช่งให้ผมเป็นพระอรหรันตะนะ์หรือว่าเขาแช่งอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะวจะได้ผูดได้เกิดเลยนะเขาแช่งให้เราเป็นพระอรหรนะันต์นะแต่ไม่ได้แปลว่าโอ้โหจะได้ผูดได้เกิดคือตกนรกไม่ได้ผูดได้เกิดถ้าอย่างนี้ไม่ใช่้วนะอันนี้เป็นคําหยาบเนี่ยไม่ได้ใไม่ดีเป็นพุทธวาจา แต่ถ้าเป็นวาจาที่ว่าเออขอจะได้ผูดได้เกิดอู้สาธุอนุโมทนาแสดงว่าคุณปรารถนาให้ข้าพเจ้าเป็นพระอารหันต์ชีวิตที่ไม่ต้องผูดต้องเกิดนะการปฏิสนธิในภพใหม่ในภพใดๆไม่มีก็คือชีวิตของพระอารหันต์เท่านั้นแหละนะก็ขอบคุณเขาซะอนะว่าแสดงว่าคุณเนี่ยปรารถนาให้เราเนี่ยเข้าถึงคําสอนที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาเขาแปลว่าเขาปรารถนาให้เราได้อรหัตตัมมัตอันถะ้านะนะนะนะ คำสอนเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นไปเพื่อกําจัดโลภะเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อกําจัดโทสะเป็นคําสอนที่กําจัดโมหะดังนั้นถ้าผู้ที่แทงตลอดอริยสัจชั้นต้นเนี่ยนะจะละไอโทสะประเภทที่นําไปสู่อาบายนะีโทสะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อาบายเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้อริยสัจ ร, ระดับโสดาปฏิมัติถ้ารู้อริยสัจในระดับสกทาคามิมัติละโทสะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะห้าสิอร์เละได้ครึ่งหนึ่งเลย ไม่เรียกว่าถ้าธรรมดาก็ไม่หงุดหงิดง่ายๆถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยโทสะยังไงก็ไม่เกิดนะพระอนาคามีเนี่ยจะไม่ซึมด้วยโทสะนะจะไม่เครียดจะไม่หงุดหงิดจะไม่มีสักอย่างเลยนะนะคือมันตรงกันข้ามกับเราเกือบหมดนั่นแหละนั่นแหละพระนา ร, รยายะจะเป็นลักษณะนั้นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านดีใช่ไหมเราจึงเคารพนับถือท่านว่าเป็นอะไรนะนับถือว่าเป็นสารณะเลยเนาะ นะถ้าผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็บอกว่าผู้ทางสารนังค้าฉามินับถือท่านใช่ไหมถ้าเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติแทงตลอดคําสอนเหล่านี้เราก็นับถือว่าเป็นสังฆังสารนังค้าฉามินะพระธรรมคําสอนที่ที่ที่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติเข้าถึงหรือพระธรรมคําสอนที่เป็นคํากล่าวคําวาจาที่แสดงออกมาเป็นพระตถาคตคําสอนเหล่านั้นก็เป็นธรรมังสารนังค้าฉามิของเรานั่นคือสาระของเรา นั่นคือสารณะของเราทั้นถ้าหากว่าใจของเราถ้าทิ้งสารณะเหล่านี้แล้วใจของเรานี i เป็นไงมีกําลังไหมทีแรกทีแรกว่าใจที่ไม่มีกําลังนะเป็นใจที่อ่อนแอเพราะใจที่ขาดศรัทธาใจที่ขาดศรัทธาขาดตถาคตโพธิศรัทธาด้วยขาดกรรมสกตาศรัทธาด้วยนะถ้าหากว่าขาดตถาคตโพธิศรัทธาก็แสดงว่าขาดกรรมสกตาศรัทธาอย่างแรงนะถ้าหากว่าขาด ศรัาโคตรโพธิศรัทธากรร ม, มสกตาสัทธาแล้วนะวาจาไอความแนวความคิดนั้นก็จะเป็นความคิดประเภทอกุศลวิตกและอกุศลวิตกก็จะเกิดเมื่ออาุศนวิตกเกิดบ่อยๆทําไงรู้ไหมคนเนี้คิดอะไรก็จะพูดอันนั้นแหละเชื่อนะคนที่โกรธก็จะพูดในคําพูดที่เป็นไปเพื่อสนองความโกรธนะคนกามวิตกมากๆก็จะพูดคําพูดเพื่อที่จะ นะพูดไปตามนั้นเราสังเกตดูนะเราคิดถึงใครมากหาโอกาสที่จะพูดถึงคนนั้นแหลนะนเพราเราวิตกถึงคนนั้นบ่อยๆเนะมื่อพูดเมื่อพูดถึงเขาบ่อยๆทําไงก็ไปหาสิใช่ไหมพูดถึงอะไรบ่อยๆเดี๋ยวก็จะไปเรื่องนั้นแหละเมื่อไปเรื่องนั้นแล้วทาําไงนั่นแหละคือแนวอาชีพความเป็นไปก็จะเป็นลักษณะนั้นแหลนะจะต้องมีความเพียรความพยายามนะมิชามร์ ก, ก็จะเป็นเป็นมรคปัจจัย นะอันนั้นก็เป็นมรรคปัจจัยก็พาชีวิตเนี่ยไปละเป็นสัมมาหรือมิจฉาก็ตามสมควรแก่ชีวิตนั้น น, น, นั้นชีวิตของคนที่เป็นไปกับมิจฉามรรคเนี่ยก็เป็นชีวิตที่ไปเบื้องต่็ส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นไปกับสัมมามรรคนะที่ถูกต้องก็จะเป็นไปเพื่อสุคติที่ดีเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าอริยมรรคประชมกันเมื่อไรก็สามารถที่จะดับกิเลสบรรลุอริยธรรมได้ อันการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยพยายามให้มองตลอดสายไว้ถ้าเรามองภาพออกไม่ตลอดสายเนี่ ย, ยศึกษาไปเนี่ยเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นนะน้ำแค่นี้มันดับไม่ได้หรอกเหมือนไฟนะถ้าไฟมันไหม้บ้านใหญ่ๆจริงๆเนี่ยนะเอาตักน้ําไว้เติมเดียวนิดเดียวดับไม่อยู่หรอกนั่นแหละมันพยายามหาช่องทางเอาไว้เจะดับได้กี่วิธีได้กี่นัยยะด้วยกันการศึกษาพระธรรมคําสอนก็เพื่อดับบาปดับอกุศลดับ โทษภัยที่มันมีอยู่ในใจพระอรหรอันต์เอกชื่อหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่กําจัดฆ่าศึกคือกิเลสคําว่าฆ่าศึกนี่แปลฆ่าศึกนี้มีมาอวยชัยให้พรมีไหมฆนะ่าศึกนี้ก็คือผู้ที่ก่อแต่ความชีบหายให้แก่แก่ผู้ที่ที่ฆ่าศึกหมายปองนะถึงฆ่าศึกเหล่านั้นนะเขาส่งบรรณาการไปให้อย่างรีนั่นก็คือแผนชั้นที่หนึ่งของฆ่าศึกที่จะฆ่าใช่ไหมสมมุติถ้าหากว่า เรามีเพื่อนเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะเป็นเพื่อนที่คอยวางแผนเพื่อที่จะทําลายเราทุกวิถีทางขณะที่เขาหวังดีปรารถนาะดีทำตัวเหมือนดีกับเราทั้งหมดเลยเขาเชื่อว่าเป็นมิตรไหมไม่ก็ยังไงก็ไม่ชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเขาวางแผนเพื่อที่จะทําลายเรางนั้นคนที่เป็นศัตรูเนี่ยถึงเขาจะมาดีขนาดไหนก็ช่างเถอะนั่นก็คือมันก็คือศัตรูเพราะท้ายที่สุดเขาจะต้อง ทำลายเราอันพวกโทสะเป็นต้นนี้ก็เป็นข่าศึกภายในเป็นศัตรูภายในที่เป็นไปเพื่อทําลายศัตว์นั้นๆโดยส่วนเดียวอั้นพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อกําจัดข่าศึกคือกิเลสเหล่านี้พระองค์นั้นทําลายข่าศึกเหล่านี้ได้หมดแล้วและพระองค์ก็ยังทรงแสดงโอวาทวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทําลายไอข้าศึกคือบาปอกุศลเหล่านี้ที่มีอยู่ในใจขอ ง, ของเราทั้งหลายนั่นแหละ เัราการที่เราสามารถนึกถึงโอวาทพระธรรมคําสอนได้บ่อยๆนะโทสะของเราก็จะสงบระ ง, งับในขณะนั้นๆอขณะที่หาเหตุผลมากล่อมแบบนี้เนี่ยเป็นประหารไหมมันต้องต้องกล่อมเหมือนกันนะความคิดเนี่ยเชื่อความคิดเหมือนกับเด็กๆ เ, เลยถ้ากล่อมได้ดีเขาก็เงียบนะกล่อมไม่ดีเนี่ยเขาหนักกระเกาีกบางทีกล่อมไม่โยงบางทีหนักกระเกาบางทีน ะ, น, มม น, กกะนะนึกถึงพระธรรมปั๊บบางทียังตำหนิพระธรรมเลยนะถ้าคนที่โกรธมากๆอะ่ะ เออหนักเอาสิฟังในพระสูตรในปังกาาสูตรอะที่สู่รูปหนึ่งพระองค์มันหยัดวินัยนี่ยังโกรธพระพุทธเจ้าอีกเนยะังไม่ชอบเลยอันถ้าความโกรธเนี่ยมันเกิดมากๆก็จะเป็นลักษณะนั้นอันขณะที่พิจรนารณาลักษณะนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นประหารข้อไหนเป็นตะทางฆ่าประหารยังถ้าสงเคราะห์โดยวิสุทธินะยังเป็นศีลวิสุทธิอยู่เลย ยังเป็นประเภทศีลวิสุทธิเป็นประเภทธรรมะเพื่อรักษาอินทรสังวรเพราะขณะที่โทสะเกิดนี้สังวรใจมีไหมขณะนั้นไม่สังวรน่นะขณะที่โทสะเกิดเนี่ยขณะนั้นเป็นคนที่ไม่มีวินยัยนะเป็นคนที่ไม่มีวินยัยไม่มีทั้งสังวรวินัยด้วยไม่มีทั้งปหานวินัยด้วยนะขณะนั้นเป็นชีวิตที่ไม่มีวินยัยเมืม่อมีไม่มีวินยัยก็แสดงว่าไม่ฉลาดใน อริยธรรมนะเมื่อไม่ฉลาดในอริยธรรมก็ถือว่าไม่ได้เห็นอริย์ถ้าอาริยะเมื่อไม่เห็นอริย์นะต่อไปนะอัศกายะทิฐิก็จะเกิดต่อสกายะทิฐิก็จะเกิดต่อไปจากนั้นด้วยอันพระองค์เวลาจะแสดงเรื่องของสกายะทิฐิเนี่ยพระองค์จะกล่าวว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่เห็นผ้าอาริยะไม่ได้ฟังคําสอนของผ้าอาริย์นะก็จะย่อมสําคัญรูปโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นอันก็ จะเป็นความคิดที่เมื่อเราทอดทิ้งคำสอนอันนะอัตาก็จะเปอร์เซ็นเข้ามาง่ายๆนั่นแหละนันถ้าเราสามารถที่จะตระหนักในคำสอนได้บ่อยๆคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อละคลายบาปอคุศลอ น, น, นะนะ ท, ที่อยู่ในจิตของเราการที่พิจารณาอย่างนี้ได้บ่อยขนาดไหนก็ตามเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญพรห ม, มหานเท่านั้นแหละอันนะ ถ้าหากว่าเราพิจารณาได้อ่อนนะใบนั่งเหอะสับเพสัตตาสับทางหลายมีความสุขเฮอสิบนาทีไม่ถึงหรอกนีสิบนาทีนี่ยกให้เก่งแล้วนะที่เหลือคิดเรื่องอื่นหมดเปี้ยงเลยนะข้อของมันมาเป็นอย่างนั้นแหละตัวเองมาเล่าให้ฟังหน่อยบอกความชั่วนี่เร่เปิดเผยแล้วมันไม่มีใครฟอนะ้องเลยเนาะเพราะไม่ได้ทำความเสืมหายให้แก่ใครเนี่ย เ ป, เ, ปเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าเราเห็นโทษของบาปอากุศลน้อยเท่าไรพรหมวิหารเราก็จะอ่อนเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเห็นโทษของโทสะพวกนี้มากเท่าไรเมตตก็จะเกิดได้มากขนาดนั้นนะถ้าหากว่าเมตตาเกิดบ่อยๆแล้วเนี่ยธรรมะอย่างอื่นก็จะเกิดต่อไปอีกไม่ยาก น, กนะนะธรรมะคำสอนอย่างอื่นๆนี้จะง่ายและ เขาบอกว่าสติปัญญาของศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่อ่อนไปเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคนจึงไม่ฉลาดนะสติปัญญาจึงไม่เล่นเพราะอะไรบางคนนี่เคยทรงจำอะไรแม่นๆ่นจำหัวดีมีความคิดความอ่างคล่องแคล่วแต่เครื่องบรรทอนสติปัญญาทั้งหมดก็คือนิวรหนะ่านันพยาบาทก็นับหนึ่งในตัวนั้นอ่ะที่ทำให้สติปัญญานั้นอ่อนตัวนะ ทำให้ความคิดความอ่านเป็นต้นนี้ไม่เกิดเพราะตัวนิวรณนะ์นั้นอ่ะเป็นเป็นตัวที่ขวางกัน้นบางคนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคนฉลาดมากแต่ถ้าโทสะเกิดบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มหลงลืมแล้วนะหรือโลภะเป็นต้นเกิดมากๆก็จะหลงลืมทีห น, น้ี้ถ้าเล่นงานบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ชาวันะไม่เกิดใช่ไหมคือเพราะ่าแต่แคิดดูนะถ้าสติปัญญาก็คือกุศ ล, ลจิตใช่ไหมสติเกิดร่วมกับชาวันะที่เป็นกุศลอันนี้เอาชาติกุศลนะ แต่แล้วถ้าขนาดที่อากุศลมันเกิดเนี่ยมันก็จะมาขั้นขนาดขณะของจิตเนี่ยนะจะจิตเนี่ยจะเกิดได้ทีละชาติจะไม่เกิดพร้อมกันทั้งกุศลชาติอากุศลชาติอะไรเลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจิตก็เป็นกุศลถ้าเป็นกุศลนี่นะโลภะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดถ้าหากว่า อกุศลมันเกิดยาวเท่าไร่นะกุศลก็หายไปเท่านั้นแหละทีนี้อกุศลยังแบ่งประเภทออกเป็นสายโลภะสายโทสะสายโมหะแล้วแต่ว่าอะไรเป็นเหตุตุปั จ, จอะไรเป็นรากเงา่าถ้ารากเงา่าเป็นโทสะปั๊บเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดมากๆชาวนะที่สร้างสารรค์ก็ไม่เกิดละกุศลจิตก็ไม่เกิดนะถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นมากๆมากๆมากๆเข้าเนี่ยนะความคิดความอ่านที่เป็นกุศลเนี่ยยากละเพราะว่า อากุศลเหล่านั้นพระองค์เรียกว่าเป็นนิวรเป็นเครื่องกลางกัน้นนะเป็นเครื่องกลางกัน้นทำให้ไม่เจริญทีนี้มาดูวิธีการที่เป็นอุบายระงับนะอสีวิสาสูตรนะสลายตนะวะมาดูวิธีกล่าวถึงเรื่องของการระงับโทสะโดยนยะต่างๆอีก มาดูวิธีที่สองนะถ้าหากว่าเจอวิธีแรกเข้าไปก็ยังไม่หายกโกรธอะนะความโกรธก็มันได้เชื่อนะเรียกว่าไขมันเป็นมานานแล้วยาแค่นี้ไม่หายหรอกหลวงพ่อเอ้ยแบบนั้นอ่าเอาเพิ่มอีกหน่อยเขาบอกว่าเมื่อเธอเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ถ้าปฏิฆะนั้นสงบได้ไซยอย่างนี้นี่ก็เป็นการดีถ้ายังสงบไม่ได้อ่ะ เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะใดๆของบุคคล น, นั้นเป็นธรรมชาติที่สงบบริสุทธิ์ซึ่งเธอระลึกถึงอยู่ก็จะนำความเลื่อมใสามาให้เธอก็ควรนึกถึงธรรมะนั้นๆบรรเทาความอาฆาตให้เกิดเธอนะธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งมามาคิด น, นะคิดยังไงก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้โทสะมันเกิดธรรมะเหล่านั้นก็คือส่วนใหญ่เราจะโกรธบุคคลใช่ห ที่โกรธบุคคล น, นี้บุคคลเนี่ยชีวิตที่เป็นไปก็เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของกายวาจาและใจใช่ไหมแล้วก็มีอยู่สามอย่างนี่แหละทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าออคนบางคนนี้เขาก็มีความประพฤติทางกายเขาดีบางคนก็มีความประพฤติทางวาจาดีบางคนก็มีความประพฤติทางทางใจดี ยกตัวอย่างว่าคนบางคนมีกายะสมาจารเท่านั้นสงบนะอาการทางกายนี่เรียบร้อยก็เมื่อเขาทําวัดปฏิบัติเป็นอันมากอยู่ยกตัวอย่างนะถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยปากเนี่ยโอ้ยชั้นหนึ่งเลยอะนะใจนี่ก็ร้ายแต่ว่าถ้าเป็นทางโลกเขาก็เลี้ยงดูพ่อแม่ดีนะเป็นคนที่กตันอยู่กระตะเวทรีเลี้ยงดูพ่อแม่เขาดีเป็นต้นเนี่ยนะหรือถ้าเป็นพระเป็นเนนเป็นต้นท่านก็มีความประพฤติ ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งชนทั้งปวงจึงจะรู้ถึงภาวะที่กายสมาจารของเขาสงบนะเขาเป็นคนดีอะนะเรียกว่าการงานทางกายนี่ช่วยเหลือดีงนั้นเนแต่มีวจีสมาจารความประพฤตทางวาจาและมโนสมาจารความประพฤตทางใจไม่สงบเธอก็อยานึกถึงวจีสมาจารและมโนสมาจารนั้น พิงระลึกถึงเฉพาะความสงบแห่งกายสมาจารย์ของเขาเท่านั้นนะเรียกว่าหาความดีเขามาคิดนะนะเขามีดีทางไหนก็เอาความดีของเขามาคิดทางนั้นแหละแต่คนไม่ชอบนะเขาเลวส่วนไหนก็จะไปนื้อแต่ส่วนนั้นมากๆเพราะเจริญอะไรดูไ่มเจริญพยาปาทวิตกเจริญอากุโสรชานมันก็แต่ความไม่ดีของคนอื่นมาคิดนะแต่ถ้าหากว่าเจริญกุโสรชา น, นก็จะคิดเอ๊ะใครมีทางดีตรงไหนบ้าง หาความดีของเขาเออถ้าเขามีความประพฤติทางกายดีความประพฤติของเขาเรียบร้อยช่วยเหลือกิจการงานดีเออใช้ได้แล้วเอาตรงนั้นเอาก็แล้วกันเขามีส่วนดีตรงนี้นะ<ส>บางท่านก็เลยบอกเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาเธอนะไม<ส>่ต้องไปขอแบ่งเข้ามาหรอกเ<ส>พราะอะไรรู้ไหมก็ขนาดที่เราคิดถึงความไม่ดีของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยขอให้รู้เธอว่าขณะนั้นเราเป็นพยาบาทวิตกแล้วเราประแบ่งส่วนที่ไม่ดีเข้ามาแล้วละแต่ไม่ใช่ว่า คำ link, สอนอย่างนี้ฟังแล้วไม่ให like ้รู้ดีรู้ชั่วนะก็คือให้สามารถแยกแยะดีชั่วได้นั่นแหละแต่ให้รู้ว่าถ้าเราคิดถึงส่วนที่ไม่ดีบ่อยๆนะทักเดียวแค่นั้นแหละยิ้มไม่ออกหรอกเชื่อสมมุติถ้าเราอยากอยากสังเกตดูนะว่าโทสะจะเกิดเนี่ยมันจะไงพยายามนึกหาเรื่องอะไรก็ได้ที่มันไม่ดีอนะที่เราไม่ชอบเลยสักเรื่องหนึ่งมันนึกไหมแล้วโทสะมันจะเริ่มแผดขึ้นเพ้อเพ้อเพอเพนะถ้าหากว่าเราอยากให้โลภะแบบ สมนัสเกิดนะพยายามนึกเรื่องอะไรก็ได้สักเรื่องนึงให้มันขำนีมม่สุดนะอาหารลมปับ๊บแด่รมปับ๊บเดี๋ยวมันจะขำละหรือให้มันใช้พยายามนึกที่ไหนก็ได้ให้มันอย่างสมมตนะินึกถึงใต้ท้องทะเลเนี่ยมันได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ไหมนึกแล้วจะใช้อุเบกขาจะเกิดเนะี่ยอันจิตเนี่ยแล้วแต่อารมณะปัจจัยนะพระองค์นี่เวลาแสดงเรื่องปัจจัยยี่สี่นะพระองค์จะขึ้นเห hey, ตุปจัจโยอารมมณะปะจัจโย ปัจจัยของจิตชั้นต้นเลยพื้นฐานก็คือเหตุปัจนะเป็นเหมือนกับรากของความคิดอะโลพาก็เป็นรากของความคิดโทสะก็เป็นรากของความคิดโมหะก็เป็นรากของความคิดต้นไม้ต้นไหนที่มีรากนะต้นนั้นมั่นคงหน่อยจิตดวงใดที่มีโลพาโทสะโมหะเป็นรากจิตดวงนั้นก็มั่นคงเหมือนกันหรือถ้าเป็นฝ่ายดีนะก็แล้วอโลพะอโทสะอโมหะก็จะเป็นรากของ ความคิดอันนั้นจิตจะเป็นโลภะโทสะโมหะส่วนหนึ่งก็แล้วแต่อารมณะปัจจัยด้วยนะอารมณะปัจจัยนั้นนะก็คือไอสิ่งนั้นคืออารมณ์สิ่งนั้นคืออารมณ์ถ้าเราตระหนักโดยความเป็นสุภานิมิตเหตุปัจจัยประเภทโลภะจะเกิดนะถ้าตระหนักโดยปฏิฆานิมิตเหตุตุปัจจัยประเภทโทสะจะเกิด ถ้าตะหนักโดยปฏิฆานิมิตเหตุปัจจัยประเภทโมหะก็จะเกิดถ้าอุเบกฐานิมิตนะโมหะนะเหตุปัจจัยประเภทโมหะก็จะเกิดแต่ถ้าเป็นทานนิมิตนะทานนิมิตเป็นต้นนะคือนิมิตของกุศลคือนิมิตแห่งทานนิมิตแห่งศีลนิมิตแห่งภาวนา นะก็ที่จริงทานศีลภาวนาหรือประเภทขันธาตุอายตนะนะสิ่งนั้นแหละถ้าสายใจโดยนิมิตโดยความเป็นขันธาตุอายตนะเป็นต้นอันนั้นก็จะเป็นนิมิตของกุศลนะถ้าเป็นศีลนิมิตส่วนใหญ่นั้นมีอโทสะเป็นเหตุตุปั จ, จนะถ้าเป็นศีลนิมิตนะอโทสะมีกำลังเป็นเหตุตุปั จ, จถ้าเป็นสมถานิมิตอโลพาเป็นเหตุตุปั จ, จที่มีกาลัง ถ้าวิปัสสนานะอะโมหะนะขันธะอริยตนะเป็นต้นเนี่ยเป็นนิมิตของอะโมหะหรือเรียกว่าปัญญานั้นมีกําลังถ้าเราไม่สามารถแยกนิมิตเหล่านี้แยกอารมณ์แยกนิมิตได้นะเจริญกุศลเนี่ยคงยากเต็มทีละแต่ที่จริงไม่เยอะนะความคิดเราท่านี้เองเราก็คิดนะมาวิจัยขึ้นวิจัยขึ้นเท่านั้นเองแล้ววิชาปัฏฐานนะเหตุปัจจโยอรรมนะนปัจจโยก็จะอยู่ตรงนี้และ ก็คือความรู้สึกนึกคิดที่กำลังเป็นไปกับอารมณ์นั่นแหละเพราะองแสดงว่าเหตุปัจโยอารมณะปัจโยถ้าอารมณ์นั้นมันน่าปรารถนามากโอสุภานิมิตแรงมากอันนั้นเป็นอารมณนาที่ปฏิปัจโยขณะนั้นเนี่ยโฉันท่าแรงกล้าขณะนั้นก็เป็นสหชาตาที่ปฏิปัจโยก็จะเกิดขึ้นนะทั้งสายอารมณ์และก็สายความคิด เสร็จแล้วจิตก็จะเป็นอนันตระปัจโยสมานันตระปัจโยกระแสความคิดก็จะสืบเนื่องเป็นอาเสวณนะปัจโยมีความรู้สึกนึกคิดเป็นไปนะชีวิตก็จะเป็นไปลักษณะนี้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยในในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงส่วนใหญ่ก็เป็นสหาชาตชาตนะิอารมณ์นั้นๆก็จะเป็นสายอา ร, รมมณชาติวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดก็เป็นตระกูลวัตถุปุเรชาตชาติทาไมความคิดนั้น น, นจึงเกิดเพราะได้อุปนิสัยเก่ามา อันนั้นก็เป็นอุปนิสัยชาตินะจิตบางอย่างก็เป็นชาติวิบากก็เป็นผลของนานัขาคณิก ก, กรรมชาตินะก็จะเป็นเนี่ยความเรื่องปัจจัยก็จะอยู่ในชีวิตที่กำลังเป็นไปถ้าเรามองปัจจัยออกเท่าไหร่ก็จะมองเรื่องของปฏิจจสมุปบาทออกเท่านั้นแหละนะเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นคำสอนสายกลางเพื่อถอนรกถอนชาติอันนี้ได้แต่ถ้า ความรู้เหล่านี้ไม่ไม่ดีเพียงพอระดับหนึ่งเนี่นะแม้แต่เจริญสมถะข้างหน้าก็จะยากนะอย่างในวิธีที่จะกล่าวต่ อ, ตอไปให้พิจารณาโดยความเป็นขันาธาตุอายตนะด้วยนะมาดูนะว่าบางคนเนี่ยเขาดีทางกายก็คิดเอาทางกายกันแล้วกันนะ่ะนะถ้าบางคนเขาดีทางวาจาเออพูดดีดี บกบางคนมีวาจาสมาจารนะวจีสมาจาร์เนี่ยนะสงบอ๋นนอนะถ้าหากว่าคนบางคนเขามีวจีสมาจาร์ดีชนทั้งปวงย่อมรู้ได้เพราะว่าตามปกติเขาจะเป็นคนที่ฉลาดปฏิสันพานนะฉลาดในการต้อนรับอ่อนหวานมีคำพูดน่ารักพูดให้บันเทิงใจมีหน้า ตาชื่นบานทักก่อนสวดธรรมะด้วยเสียงที่ไพเราะกล่าวธรรมะถาด้วยบทและพยันชนะที่เหมาะเจาะเราบอกว่าคนนี้เนี่ยโหวเวลาพูดเนี่ยโหคนฟังละเคลิ้มเลยนะแสดงว่าแนวความพูดการเจรจาปราศายัยการทักทายเป็นต้นเนี่ยเขาดีพยายามนึกส่วนนี้ไว้แต่ว่ากายสมาจาร์มโนสมาจาร์ไม่สงบก็อย่าไปนึกถึงกายสมาจาร์และ มโนสมา j a a n อ น, นั้นเลยนะไอ้ส่วนที่เขาไม่ดีก็ไว้ให้เขาไปเถอะใช่ไหมอ่าพูดสำนวนเราก็บอกว่าถ้าเขาหน้าดีก็มองแต่หน้าตาก็พออย่าไปมองแขนที่รีบเหมือนกันนึกถึงส่วนหน้าไว้ลนะักษณะเ น, น, นี้ยนแะแยกมองอ่ะนะแยกแยกส่วนมองอะ่ะ <c oughs> ถ้าหากว่าบางคนมีมโนสมาจา a เท่านั้นสงบ <c oughs> ก็ภาวะที่มโนสม a j a a ของเขาสงบ ปรากฏแก่ชนทั้งปวงในเวลาที่ไหว้พระเจดีเป็นต้นนะคนสงบคือคนยังไงก็คือคนที่ไหว้พระเจดีนั่นแหละนะตัวอย่างนะจึงอยู่บุคคลใดเป็นผู้มีจิตไม่สงบบุคคลนั้นเมื่อจะไหว้พระเจดีก็ตามไหว้ต้นโพก็ตามนะหรือไปไหว้พระเทระก็ตามย่อมไม่ไหว้อย่างเคารพ นะมณดบที่ฟังธรรมก็เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านนั่งสับประงกบ้างคนลักษณะนี้รู้เธอว่าเป็นคนที่ไม่เขารบนะทำอะไรก็สักแต่ว่าทําทําไปทีลักษณะนั้นแหละสวดมนต์ไหว้พระก็กราบปลกปลกเรียบกล่าวให้มันเสร็จนะจะได้เรีบกลับเป็นลักษณะเนี่้เรียกว่าใจไม่สงบแล้วขนาดนั้นนะมือก็ไหวยอยู่ตรงนั้นแหลใจนี่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคนเนี่ยเตรียมเก็บข้าวเก็บของเนี่ยมนโนทวามิถีนึกรถแล้ว ข้าวของเพราะหน้าไม่ได้นึกแล้วนึกถึงรถไปขึ้นรถอ้าวลืมนี่กลับมาเอาใหม่ฉลาดเท่าเดิมนั่นแหละรีบอันนี้เรียกว่าคนใจไม่สงบนะออมานี่เป็นบ่อยเลยส่วนผู้ที่มีจิตสงบนะคือเขามีศรัทธาเชื่อตรงนั้นแปลว่าศรัทธานะศรัทธาแล้วก็ไหวยอย่างเคารพเงี่ยโสดสดับธรรมทำให้เป็นของมีประโยชน์ แสดงความเลื่อมสายแห่งจิตให้ปรากฏออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างนะบางคนนี่มีมโนโจาร์เท่านั้นแหละสงบมีกายะสมาจารและวจีสมาจารเนี่ยไม่สงบอย่างนี้เธอก็อย่าไปนึกถึงกายะสมาจารและวจีสมาจารนั้นพึงระลึกถึงเฉพาะความสงบแห่งมโนสมาจารเท่านั้นแหละนะเขาดีส่วนไหนก็นึกแต่ส่วนดีอะนั้นนะ่ะนะผู้ธรรมดา ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ เ, เขาเลี้ยงครอบครัวดีก่อนนึกถึงส่วนที่เขาดูแลครอบครัวดีอย่างนั้นเนี่ยเขาดูแลพ่อแม่ดีก็นับถือส่วนนั้นเขาทํางานดีก่อนนึกถึงเฉพาะส่วนงานานะแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องระวัง ห, หน่อยเ <c oughs> จรจาปราใส่ดีเพราะว่าเมตตานี่ไม่ได้เน้นว่าเจริญกับคนดีหรือไม่ดีแต่เน้นว่าทํายังไงนึกถึงคนแล้วไม่โกรธอ่ะไม่ใช่ปฏิฆาณิมิตนะนะเน้นเพื่อไม่ให้ปฏิฆานิมิตเกิด น, นะซึ่ง จะแยกกธรรมะส่วนหนึ่งนะว่าเรื่องเรื่องลักษณะนะพาลักษณะบัณฑิตลักษณะอันนั้นอีกอีกประเด็นหนึ่งนะประเด็นนี้ก็คือพยายามที่จะคิดยังไงไม่ให้ไม่พอใจเขาอะ่ะไม่ให้นึกโกรธเขาอะ่ะนะเพราะถ้าถ้าธรรมดานะคนมีโลภะนะเราไม่ค่อยรังเกียจกันหรอกนะ คือเพียงแต่ว่าทํายังไงอถ้าถ้าโลภะนะมันสามารถที่จะเจริญเมตตาต่อไปได้เลยไม่ถึงก็ยากนะักใช่ไหมแต่ที่ที่มาต้องมาพิจารณาอย่างนี้แสดงว่าเรามีโทสะกับเขานะคือที่ที่มาต้องเลือกว่าเออนี่กายดีนะนี่ต้องมาแยกกายแยกวาจาแ ย, ยกใจนี่แปลว่าเราเนี่ยโทสะกับคนนั้นอยู่ไม่ชอบคนนั้นอยู่นะไม่ชอบเลยแต่ทีนี้เราส่วนที่ไม่ชอบก็คือเหมารวมอะ มองรวมๆนะทั้งกายเนี่ยทำตัวแบบนี้ไม่ชอบเลยทพูดแบบนี้เราไม่ชอบคิดแบบนี้เราก็ไม่ชอบแต่ทีนี้ว่ามันก็ไม่มีใครทำตัวถ้าจนเราไม่ชอบไปทุกอย่างหรอกอ น, นะก็ให้เราเลือกมองเอาอะนะส่วนไหนที่เราไม่รังเกียจนะก็ให้พยายามนึกถึงส่วนนั้นเอาไว้เพราะว่าโทสะนี่มันเป็นศัตรูของของเมตตาเพราะว่าอย่างอย่างการเจริญเมตตาเหล่านี้เนี่ย ก็ระวังโลภะด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าใส่ใจไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นโลภะอีกแต่ว่าตรงนี้เน้นลักษณะว่าเวลาเจริญไปนึกถึงใครบางคนน่ะนะโทสะก็เกิดเรื่อยๆเพราะถ้าหากว่าใจของเราไม่มองคนทั้งโลกเนี่ยนะโดยปฏิฆานิมิตเนี่ยหรือมองคนสี่คนเนี่ยคือตัวเองศัตรูคนที่เราเคารพนะหรือเพื่อนและ คนธรรมดาเนี่ยนะสี่คนเนี่ยนะถ้ามองไม่เสมอกันไม่ได้จะแผ่ไม่ได้จะจะแผ่เครียกว่าแผ่เมตตาไม่ได้ต้องให้คนสี่คนนี้เท่ากันก่อนนะตัวเองคนที่เราชอบศัตรูคนกลางกลางเนี่ยนะสี่คนต้องมองเท่ากันเมตตาเท่ากันก่อนจึงจะแผ่เมตตาได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นยังแผ่ไม่ได้นะยก็ต้องมาหาอุบายอย่างนี้ก่อนอ่ะต้องมาไล่ขับเคี่ยวอย่างนี้ปรับคุณภาพให้มันได้ จึงจะเริ่มแผ่ขยายนิมิตไปได้ทาไมงั้นก็ก็จเจริญแบบรวมรวมะนะมันนะเมาๆมีความสุขเยอะอย่างเงี้ยเฮ่ อ, อก็เฮ่อไปงั้นแหละเฮ่อไปงั้นแหละก็เหมือนกับที่ที่เขาว่าคนไปวัดบางทีก็จเจริญเมตตาเกาะเว้นอยู่คนนั้นคนเดียวนะที่เหลือเจริญให้หมดเลย <c oughs> แต่สําหรับบางคนเนี่ยนะในบรรดาธรรมะสามอย่างเหล่านี้ แม้สักอย่างเดียวก็ไม่สงบโมโหชั่วบริสุทธิ์เลยเนาะคือแปลว่าเราไม่ชอบเขาทุกอย่างเลยนะหนึ่งนะไอ้ที่เขาไม่ดีสักอย่างคือเราไม่ชอบเขาสักอย่างเลยในย่าที่สองก็คือเขาไม่ดีจริงๆเธอก็พึงเข้าไปตั้งกรุณาไว้ว่านะไปตั้งกรุณาในบุคคลประเภทนั้นเลยว่าผู้นั้นเนี่ยเวลานี้ยังเที่ยวไปในโลกมนุษย์ก็เจงแต่ว่าเวลาล่วงไป ได้ไม่กี่วันเขาก็จะเป็นผู้ท ร, ร ม, มหานรกทั้ง8ดขุมและอุสธาณรก16ขุมให้ให้เต็มนะใครอยากไปเยี่ยมไปชมคิดถึงเรื่องนรกเป็นต้นก็ไปดูในเนมิราชาดกเทวทูตสูตรเป็นต้นเน่นะถ้าหากว่าบางคนนี้มีธรรมะทั้ง3มอย่างเหล่านี้สงบแล้วภิกษุพึงระลึกถึงธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาได้ตามปรารถนา จึงอยู่การเจริญเมตตามิใช่กิจที่บุคคลทั้งหลายเช่นนั้นจะทำได้ยากแล้วถ้าจะเจริญจริงๆอะนะต้องหาช่องเงนได้นั่นแหละท่านบอกว่าเพื่อความแจ่มแจ้งแห่งข้อนั้นบันเด็ดพึงขยายอาคาตะปฏิวินญาสูตรนะในปัญจาการนิบาทก็คือเนื้อหาก็เหมือนกับ ที่เราว่าไปเมื่อกี้เนี่ยพระพุทธเจ้านั้นเวลาทักทายกับภิกษุสมัยก่อนเนี่ยนะก็จะถามว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเสรระยนมีจักรสี่ทวารเก้าของเธอยังเป็นไปได้หรือนะพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไหมปินทบาตเฟื่เครืองไหมการเดินทางเนี่ยสะดวกไหมอยู่ทางนู้นเป็นยังไงเจริญกุศลธรรมเนี่ยก็จะทักทายปาใส แต่ที่ประทับใจก็คือสรีระยนต์มีจักรี่ทวาร9้าเนี่ยพอยังพอยังเป็นไปได้ไหมจะเดินจะเหินคล่องหรือเปล่านะจะลุกจะนั่งจะนอนเนี่ยสะดวกไมยอย่างนั้นเถอะทวารเก้าก็คือตาสองหู2องจมูกสองปากหนึ่งแลละข้อความในอนุมานสูตรมัชิมนีกายมูลปัญ น, นาตอนุมานนี้ก็คือแปลว่าการ การอะไรอนุมานก็คือช่างหรือการเทียบเคียงหรือการพิจารณานั่นเองการช่างเทียบเคียงใคร่ครวญข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคลานะพำนักอยู่ณนะเพสกาลาวันอันเป็นสถานที่ให้อาภัยแก่เนื้อตำบลสุงสุมาคิระพระคชนบท ณนะที่นั้นแลท่านพระมหาโมคคลานะเรียกพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายผู้มีอายุ <c oughs> พิสุเหล่านั้นก็รับคําของท่านพระมหาโมคคลานะแล้วท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าแม้ภิกษุปวารณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้ ไปคายกับไปปวารณาให้คนอื่นแนะนำนะมันนะมีอะไรแนะนําช่วยพ่วยแนะนําช่วยบอกช่วยเตือนผมบ้างนะไปปวารณาตัวลักษณะนี้ไว้แต่ภิษณุนั้นเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากเป็นผู้ไม่อดทนไม่รับถ้อยคําพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนพรหมจันทร์ต่างไม่สําคัญพิกษณุนั้นว่าควรว่ากล่าวควรพร่ำสอน ทั้งไม่สำคัญว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากเป็นไฉไหนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพิกศูนยในธรรมะวินัยนี้นะธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากมีอ6สอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือความเป็นผู้ปรารถนาลามกปรารถนาอันเป็นบาป คำว่าปรารถนาอันเป็นบาป ก, ก็คือตัวเองเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นนั่นแหละอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองนี่มีศรัทธานะรู้อํานาจแห่งความปรารถนาลามกแม้ข้อที่พิสูจนเป็นผู้ปรารถนาลามกรู้อํานาจแห่งความปรารถนาลามกนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากนะคือมีความปรารถนาตั้งไว้ในใจไม่ดีเนี่ยนะตั้งจิตไว้ผิดอย่างงี้มีใครมาแนะนําตักเตือนส่วนใหญ่ก็จะรับรับยากกันะ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากด้วยนะนะดีนักหรือไงอ่ะเว <c oughs> ลาเขาแนะนําปั๊บเนี่ยขึ้นเสียงเลยใช่ไหมแกเนี่ยมันขนาดไหนผมเนี่ยมันระดับไหนอย่างเงี้ยใชก็อันนี้ก็ทําให้ว่ายากเหมือนกันข้อต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนมักโกรธ ที่โกรธนะอันความโกรธครอบงามแล้วแม้ข้อที่พิสูุเป็นคนมักโกรธอันความโกรธครอบงามนี้เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากโกรธบ่อยๆมีใครกล้าเตือนรอกนะข้อ4ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกษุเป็นคนมักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุโกรธครั้งแรกเรียกโกรธนะโกรธครั้งที่สองสามสี่ห้าตามหลังมาเรียกว่าผูกแล้ว ที่จริงใจไม่ได้ผูกอะไรหรอกแต่ว่ามันโกรธเรื่องเดียวนั่นแหละมันโกรธบ่อยๆโกรธเป็นปกติโกรธเป็นอัธยาศัยเขาเรียกว่าผูกโกรธข้อที่ภิกษุเป็นคนมักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากข้อ5ก็คือดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนมักโกรธมักระแวงจัดนะหวาดระแวงไปสมบูรณ์เลยนะเพราะความโกรธเป็นเหตุนั่นแหละก็เลยระแวงไปหมด นนแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนมักโกรธมักกระแวงนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากก็อหกก็อบอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย <c oughs> อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนมักโกรธเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธนะคำพูดเนี่ยนะขึ้นเสียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเนี่ยประเภทนี้ใกล้ต่อความโกรธแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนมักโกรธเปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายาก พอเจ็ดบอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องกลับโต้เถียงโจดน่ะนะเขาเขาแนะนำเขาฟ้องมาก็เถียงอะไเลยนะแม้ข้อที่ภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องกลับโต้เถียงโจทย์นี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องกลับรุกรานโจทย์น่ะนะ บางคนเนี่ยเถียงใช่ไหมบางคนเนี่ยรุกรานเอาคืนแบบคุณเนี่ยไปทําผิดพลาดตรงนั้นอ้าวแล้วคุณเมื่อวันก่อนก็นกนเหมือนกันนั่นแหละเอาคืนนะคว่าเรียกว่ารุกราน <c oughs> แม้นี่ก็เป็นคนทําให้เป็นคนว่ายากนะดูการท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องกลับปรัพย์ตรมโจดตรัพย์เอาเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายาก ดูก่อนท่านผู้มีายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องกลับเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนะนี่ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากนะก็พูดอย่างนี้เราก็แฉไปเรื่อยๆนะก็พูดซ้ายเราไปขวานะพูดลักษณะนี้เรียกว่าเอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนนะ ข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุถูภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องไม่พอใจตอบในความประพฤติแสดงความที่ไม่พอใจออกมาให้เห็นเลยอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนลบหลู่ตีเสมอแม้ข้อที่ภิกษุเป็นคนลบหลู่ตีเสมอนี้ก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากนะ ลบหลูตีเสมอก็โอ้มันจะแค่ไหนเชียวใช่ไหมลักษณะนี้แหละต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นคนริษยาเป็นคนตณีนะเป็นคนริษยาเป็นคนตนีก็เป็นธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากแนะนํายากและข้อที่สิบี่ก็บอกว่าภิกษุเป็นคนโกอวดเจ้ามายามายาก็คือหลอกลวงอ่ะนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยทําเหมือนคน่ะ ลักษณะนั้นเรียกว่าเป็นคนโอ้วดเจ้ามายานี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายาก15ก็บอกว่าภิกษุเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นข้อที่ภิกษุเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่ายากอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าภิกษุเป็นคนถือเอาแต่ความเห็นของตนเป็นคนถือรั้นถอนได้ยากอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ทาให้เป็นคนว่ายาก ว่าเป็นคนที่แบกแต่ความคิดของตัวเองอะนะเสนอเอาแต่ความเห็นของตัวเองอย่างเดียวนะใครพูดฟังทุกอย่างอะ <Okay. S 1> ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เรียกว่าธรรมะที่ทําให้เป็นคนว่ายากสิบหกอย่างเลยนะทบทวนข้อแรกก็เรียกว่าปรารถนาลามกะก็ปรารถนาไม่ดีอะข้อสองก็ยกตนข่มผู้อื่นข้อสามก็เป็นคนมักโกรธความ ถูกความโกรธครอบงำและก็ข้อ4ก็เป็นคนมกกักโกรธถูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อ5ก็เป็นคนมักโกรธมักกระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุข้อ6ก็เป็นคนมักโกรธแปลงวาจาใกล้ต่อความโกรธข้อ7ก็ถูกภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องกลับโต้เถียงโจทย์ข้อ8ถูกภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องกลับลุกลานโจทย์ข้อ9ก็ถูกภิกษุ นะผู้เป็นโจทย์ฟ้องกลับปรับปรําโจทย์ขอ้อ10ก็ <c oughs> ถูกภิกษุโจดเนี่ยนะฟ้องก็เอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความมุ่งร้ายความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏขอ้อ11ก็เป็นถูกโจทย์ฟ้องก็ไม่พอใจตอบในความประพฤติสิบสองก็เป็นคนลบหลู่ตีเสมอ ข้อสิบก็เป็นคนริษยาเป็นคนตนีข้อสิบสี่ก็เป็นคนโอ้อวดเจ้ามายาข้อสิบห้าก็เป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นสิบหก็เป็นพิสุถือเอาแต่ความเห็นของตนถือรั้นถอนได้ยากธรรมะสิบหอย่างนี้เป็นคนว่ายากไปปรารณากับใครว้ถ้าในตัวเองมีคุณสมบัติขนาดนี้นะไปให้คนอื่นเขาแนะนําตักเตือนนี่ยก็ไม่มีใครแนะนําตักเตือนหรอกส่วน ถ้าแม้พิสูจไม่ปวาวรณาไว้ว่านะขอท่านจงว่ากล่าวข้าพาเจ้านะข้าพาเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้แต่พิสูจนนั้นเป็นคนว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะทําให้เป็นคนว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับคําพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนพรหมจันท ร, ร์ต่างสําคัญพิสูจนนั้นว่าควรว่ากล่าวได้ควรพร่ำสอนได้ทั้งสําคัญว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคล น, นั้น ธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่างง่ายก็16อย่างเหมือนกันเมื่อกี้ฝ่ายดำใช่ไหมอันนั้ก็เอาดีลงใบแทนเช่นไม่ล้นะไม่เป็นคนปรารถนาลามกอย่างเงี้ยไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นไม่เป็นคนไม่โอ้อวดไม่เจ้ามายาไม่ถูกความโกรธครอบงำนะเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุและก็เป็นคนที่ไม่มักโกรธไม่มักระแวงเพราะความโกรธเป็นเหตุ เป็นคนไม่มักโกรธไม่แปลงวาจาใกล้ต่อความโกรธแล้วก็ถ้าหากว่าเขาโจดฟ้องก็ไม่เถียงโจทอดนะไม่โต้เถียงเขาแต่บางคนเนี่ยเจ้าเหตุผลจริงๆเลยนะเวลามีคนหนึ่งเขาบอกอะไรเนี่ยว่าเห็ดผลทั้งปีเลยนะมีเหตุผลหมดละ่ะเขาแนะนําอะไรเนี่ยมีข้อแม้มีข้อหักล้างในหมดเลย ก็บอกว่าคนที่ปล่อยใจไปกับการโต้เถียงโต้โต้เถียงเป็นต้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไกลจากสมถะและวิปัสสนาเขาบอกงั้นนะพอพอส่งจิตไปในหาแต่แห่เหตุผลน่ยนะเขาพูดมาอย่างนี้เราต้องตอบอย่างนั้นเขาว่ามาอย่างนั้นเราต้องตอบอย่างนี้นะเราต้องมีคํานี้หนักขึ้นขึ้นต้นลงท้ายอย่างนี้อย่างนี้เขาจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะเขาตอบมาอย่างนั้นก็สวนไปอย่างนี้เขาบอกว่าพวกนี้ไกลจากสมถะและวิปัสสนาเขาบอกงั้นเพราะ มอวแต่คิดส่งจิตไปในเรื่องวาทะปรับปรบประวาดพวกนั้นเน่ไม่ไดีนะต่อไปก็ภิกษุที่เป็นผู้ถูกโจทย์ฟ้องก็ไม่รุกรานโจทย์ถ้าเขาฟ้องในเรื่องที่ดีก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนะพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแ ป, ปลงแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าดีจริงๆนะไม่มีใครมายุ่งกับเราหรอก แต่ถ้าหากว่าไอ้ไม่ดีจริงๆเนี่ยดีครึ่งคกลางกเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่เกรงใจหรอกต่อไปว่าภิกษุถูกภิกษุผู้เป็นโจทย์ฟ้องไม่ปรักปรามโจทย์นะแล้วก็ถ้าเขาฟ้องก็ไม่เอาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความมุ่งร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏนะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาฟ้องก็พอใจตอบในความประพฤติเนี่ยนะก็แสดงความขอบคุณเขาอะนะที่เขาช่วยเหลือตักเตือนอะ เป็นคนไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอเป็นคนที่ไม่ริษยาไม่ตณีเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีเจ้ามายาเป็นคนไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่นและก็เป็นคนไม่ถือเอาแต่ความเห็นของตนนะไม่ถือรั้นและก็ถอนง่ายง่ายนะพวกนี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเสร็จแล้วพระโมคคลานะท่านแนะนำต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะทั้งสิบหข้อนั้น ภิกุพงเทียบเคียงตนด้วยตนอย่างนี้ว่าถ้าข้อหนึ่งมีในตัวถ้าใครเป็นอย่างนั้นเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบใช่ไหมข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบหกมีอยู่ในตัวของบุคคลใดเราก็ไม่ชอบใ ห, ให้ทบทวนแบบนี้บ่อยๆเราก็ไม่ชอบถ้าเราถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยคนอื่นจะชอบเราไหมเขาเราียกว่าเอาใจเขามาใสา่ใจเราอะนะ เรียกว่ามองกลับไปมองกลับมาว่าเราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละถ้าหากว่าเราแสดงกิริยาแบบนี้คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้าถ้าคนอื่นเขาใช้คํานี้เนี่ยเราไม่ชอบถ้าเราใช้คําเดียวกันในลักษณะเดียวกันคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักทบทวนในในลักษณะนี้ได้อันนี้เรียกว่าเอาใจเขามาสายใจเรานะทั้ง16อย่างจะไม่อ่านนะแต่ว่าไปเทียบเพียงได้แล้วก็ให้พิจารณาตนเองนะ ให้ตรวจสอบตัวเองเลยนะเอาธรรมะทั้งสิหข้อเนี่ยมาตรวจสอบตัวเองว่าเรานี่เป็นคนมีความปรารถนาลามกลู้ออำนาจแห่งความปรารถนาลามกหรือไม่หากพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราเป็นคนมีความปรารถนาลามกลู้ออำนาจแห่งความลามกก็จริงคือปรารถนาลามมกนะนะก็ควรพยายามที่จะละอกุศลอันชั่วชานั้นเสียนะคือถ้าเป็นแล้วก็แล้วไปเถอะแต่ก็ให้ ละพยายามเนี่ยต้องเพียรพยายามนะสัมมาประธานนี่ต้องเข้ามาไม่อยากละหรอกแต่ว่าทําไงได้มันไม่ดีอนะ่ะนั่นก็ต้องละนั้นพยายามเพื่อที่จะละอกุศลธรรมที่ชั่วชา้าอันนั้นซะนก็คือละเนี่ยละได้ยังไงนะก็ละโดยการพิจารณาถึงโทษเป็นต้นของความคิดนั้นๆ น, น, น, น, นะเอาคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าถ้าเรามีแนวความคิดแบบนี้เนี่ยจะเสียหายอย่างไรบ้าง ก็เอามาพิจารณาบ่อยก็สา ม, มารถที่จะละได้หากพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราไม่ใช่คนมีความปรารถนาลามกไม่รู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกพิกูุนนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นทีเดียวมันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายนะคือถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วละ่ะให้เกิดความปราบปลืม่มปีติโสมนัส อ, อบอิ่มใจทว่า เ, ออเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็ เจริญกุศลต่อไปอีกนะเอาทั้ง16ข้อเนี่ยมาพิจารณาในในตัวเองนั่นแหละถ้ามีก็ละละซะในสมาทานละหรือหาเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณาเพื่อที่จะละแต่ถ้าไม่มีก็ปีติปรามโมทย์ปราบปลื้มใจแล้วก็เจริญกุศลเหล่านั้นต่อไปได้ทั้ง16ข้อนะสะรุปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายหากพิสูพิจารณาอยู่เห็นชาติอกุศลธรรมอันชั่วช้าเหล่านี้ทั้งหมด ที่ยังละไม่ได้ในตนพิสูจนนั้นก็ควรพยายามเพื่อที่จะละอกุศลธรรมอันชั่วช้าเหล่านั้นทั้งหมดหากพิจารณาอยู่เห็นชัดอากุศลธรรมอันชั่วช้าเหล่านี้นทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิสูุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นเทียวมันศึกษาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายนะก็เจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาต่อไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุปมาเหมือนสตรีหรือบุรุษรุ่นกำดัดชอบโออาส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาหรือในภาชนะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าเห็นธุลีหรือสิวบนใบหน้านั้นย่อมพยายามที่จะให้ธุลีหรือสิวนั้นหายไปหากไม่เห็นธุลีหรือสิวบนใบหน้าก็จะรู้สึกพอใจว่าช่างเป็นลาบของเราใบหน้าของเราบริสุทธิ์สะอาดดังนี้ฉันใด แม้ภิกษุหากพิจารณาอยู่เห็นชาติอกุศลธรรมอันชั่วช้าเหล่านี้ทั้งหมดที่ยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นก็ควรพยายามที่จะละอกุศลธรรมอันชั่วช้านั้นเสียทั้งหมดแต่ถ้าเมื่อพิจารณาอยู่เห็นชาติอกุศลธรรมอันชั่วช้าเหล่านี้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั้นทีเดียวมันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นนะพระสูตรนี้ตอนตอนท้ายเนี่ยนะอัตกะาท่านสรุปสรุปว่าพระเถระแสดงอาการละทั้งหมดด้วยบทนี้ว่าซึ่งอากุศลธรรมอันชั่วช้าเหล่านี้ทั้งหมดที่ยังละไม่ได้นะแสดงว่าท่านแสดงปะหานะเลยนะแสดงปะหานะเราเคยได้ยินปะหานะห้านะหนึ่ง แต่ทางข้าประหาร2วิขมพน้าประหาร3สมุทเฉทประหาร4ปฏิปัสัทธิประหารแล้วก็สุดท้ายนิสรณะประหารแต่ตรงนี้มีคำว่าปฏิสังขานะประหารปฏิสังขานะแปลว่าการพิจารณานั่นเองละด้วยการพิจารณา ท่านอธิบายว่าพระเถระแสดงปฏิสังขาระประหารแก่พิสุผู้ยังละการพิจารณาให้เกิดขึ้นว่าอะกุศลธรรมประมาณเท่านี้ไม่สมควรแก่บันปะชิตนะยกตัวอย่างนักบวชนะเพราะฉะนั้นว่าเออนี้ไม่สมควรแก่เรานะให้พิจารณาลักษณะา น, านี้เรียกว่าปฏิสังขาระประหารละด้วยการพิจารณาชีวิตตัวเราเองก็ต้องมีการสอบสวนนะทบทวนพฤติกรรมคําพูด แนวความคิดกิริยา ม, มารยาทที่แสดงออกมาต่อคนรอบข้างเหมือนกันนะบางคนนี่จะให้แต่คนอื่นนี่ปรับตัวเข้ามาหาเราอะนะโดยที่เราไม่เคยปรับตัวเข้าไปหาใครเลยแสดงวิขำพนาประหารนะแก่ภิกษุผู้ทาศีลให้เป็นประทั ฐ, ฐานแล้วปรารบกสินบริกรรมยังสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นนะก็ถ้าหากว่ามาเจริญสมถะต่อก็เป็นนะอาศัยการพิจารณาแล้วพมาเจริญสมถะก็เป็นวิขมพนาประหาร แสดงตะทางค่าปหานะแก่พิกสูผู้ทำสมาบัติให้เป็นประธาฐานแล้วเจริญวิปัสสนานะอันนี้ก็เท่ากับแสดงตทางค่าเพราะว่าวิปัสสนาตรงนี้เป็นตะทางค่าแสดงสมุดเฉธาปะหานะแก่พิสูผู้เจริญวิปัสสนาแล้วกบรมอริยมรรคนะก็สมุดเฉทาปะหานแสดงปฏิปัสสติปะหานะเมื่อผลมาแล้ว แสดงนิสระณ ะ, ะหานะเมื่อ น, นิพพานมาแล้วเพราะฉะนั้นปหานะทั้งหมดเป็นอันพระเถระแสดงแล้วเที่ยวในสูตรนี้ด้วยประการชนีิดสูตรนี้เราฟังก็ธรรมดานะแต่ของท่านนี่โน้นเป็นพผ้ารหัร์เรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดเราฟังก็ยังนึกไม่ค่อยจออกกันเนาะ <c oughs> พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพระสูตรนี้ชื่อว่าพิขุปาติโมกเหมือนกันเป็นชื่อว่าเป็นพิกขุปาติโมกอนะ พิกขูก็คือพิกสูนั่นแหละนะปาติโมก็คืออัน น, นเครื่องปิดกัน้นไม่ให้ไปสัวบาเป็นต้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าพิกษุพึงพิจารณาวันละสามครั้งด้วยประการชนิดโอ<ห>้ไอเอาสิบหกอย่างนี้เดี๋ยวต้องนำนมจยไปพิมพ์ให้หน่อยแต่เอาไปปิดหน้ากุฏิ่าหน่อยนะไปท่องซะหน่อย <c oughs> ในพิจารณาวันละสามครั้งอะง้ ด้วยประการชนี้พิสูุเข้าไปสู่สถานที่อยู่แต่เช้าตรู่แล้วนั่งพิจารณาว่ากิเลสมีประมาณเท่านี้ของเรามีอยู่หรือไม่เนาะแลนะเอาเลยนะสิบหกข้อเนี่ยทบทวนตั้แต่ต้นเลยนะมีหรือไม่เห น, นถ้าเห็นว่ามีพึงพยายามเพื่อจะละกิเลสเหล่านั้นถ้าเห็นว่าไม่มีพึงเป็นผู้มีใจเป็นของตนนะคำว่ามีใจเป็นของตนนี่หมายความว่าไงนะ เออถ้าเป็นโลภะเกิดขึ้นเนี่ยมีใจเป็นของตนไหมไม่เป็นแล้วไหลไปตามอารมณ์แล้วถ้าโทสะเกิดขึ้นมีใจเป็นของตัวไหมไม่เป็นแล้วนะวิปริตไปแล้วทาโมหะเกิดก็ไม่มีใจเป็นของตนคําว่ามีใจเป็นของตนก็คือเป็นไปกับกุศลธรรมนั่นเองเรียกว่ามีใจเป็นของตนนะก็มีใจเป็นของตนว่าโอ้โหเราบวชดีแล้วทําพัตกิจนั่งในที่พักกลางคืนหรือในที่พักกลางวันแล้วก็พิจารณาบ้าง นั่งในนั่งในที่อยู่ในเวลาเย็นพึ่งพิจารณาบ้างให้พิจารณาวันละสามครั้งเลยเนะทบทวนบ่อยๆโยมก็ไม่ได้กังวลเล็กกสิทธิ์อ่ะเนะทําได้นะสิหกข้อเทียบเคียงดูนะตื่นเช้ามาตรวจเล ย, ย น, นเมื่อไม่อาจพิจารณาวันละสามครั้งก็สองครั้งก็ยังดีลดมาเรื่อยๆอ่ะถ้าสองครั้งไม่ได้อะ่ะวันละครั้งก็ยังดี ี่เหลือไม่พิจารณาเลยไม่สมควรอย่าบอกวันนี้ไม่ได้ทบทวนเลยไม่ได้นะมันก็ต้องหมั่นชาระตัวเองอย่างนี้บ่อยๆเพราะถ้าคุณธรรมทั้ง16อย่างไม่มีในตัวเราก็แสดงว่าอาธิศีนไม่ไม่บริบูรณ์นะถ้าธรรมะทั้ง16อย่างดีแสดงว่าอาธิศีนนั้นบริบูรณ์เรียกว่าหาเรื่องให้ตัตวเองก็ตาหนิตัวเองไม่ได้นะ น, นี้ในอนุมานสูตรนะ สนใจก็เล่มสิบแปดอ่าดูได้ในห้องสมุดทั่วไปนี่ประกาศจูประมาสูตรนะตอนท้ายายังไม่ได้เอามาอ่านให้ฟังเลยนะวันก่อนนั้นเอามาไม่จบเลย <c oughs> ทีนี้อ่าจะขอเอาข้อความในกระกาจูประมาสูตรตอนท้ายนะที่ที่ทพิจารณาตอนท้ายที่ว่าพระสูตรที่อุปมาด้วยเรื่อยนะให้เต็มบริบูรณ์ ข้อความในกระกาจโจประมาสูตรในเล่มเดียวกันกล่าวว่าโดยการพิสูจน์ทั้งหลายทางแห่งถ้อยคำที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าว ก, กับท่านมีอยู่5ประการเวลาคนอื่นมาพูดกับเรานะเขาจะคุยด้วยลักษณะ5อย่างนี้คือข้อ1ก็คือกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่สมควรโดยเวลานะบางทีก็เวลาเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างข้อ2ก็คือกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง เรื่องที่จะพูดทีแรกโดยเวลาก่อนใช่เนื้อหาที่มาพูดจริงหรือไม่จริงต่อไปข้อ3คําพูดที่พูดออกมาเนี่ยโดยคําอ่อนหวานหรือหยาบคายนะแล้วก็ข้อ4เนื้อหาที่พูดก็คือกล่าวด้วยถ้อยคําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และข้อสุดท้ายเนี่ยนะข้อ5พูดด้วยเมตตาจิตหรือมีโทสะในภายในกล่าว ําพูดที่จะมาคุยกับเราทั้งหลายที่เราได้รับนะทางหูเนี่ยจะได้รับคำพูดห้าลักษณะนี้แหละอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งพ <c oughs> ิกูุ์ทั้งหลาย <c oughs> เมื่อบุคคลอื่นจะกล่าวโดยการอันสมควรหรือไม่สมควรก็ตามจะกล่าวด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามจะกลา่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ตามจะกลา่าวด้วยถ้อยคาประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกล่าวก็ตามแม้ในข้อนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนจกไม่เปล่งวาจาชั่วเราจักอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เราจักมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเราจะแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคล น, นั้นและเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูร ใหญ่ยิ่งหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นก็คือใครจะคุยยังไงกับเราก็ช่างเถอะก็ให้ศึกษาว่าให้เราเนี่รักษาคุณภาพจิตเนี่ยว่าให้ได้แล้วก็คำพูดก็จะไม่พูดด้วยคำที่ชั่วแล้วก็อนุเคราะห์ประโยชน์อนุเคราะห์ประโยชน์นี่ก็คืออนุเคราะห์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นต้นนั่นเอง เสร็จแล้วก็มีเมตตาจิตเนี่ยนะที่เป็นเมตตาเนี่ยแผ่กระจายไปภายในอันนี้เรียกว่าพระ อ, องค์บอกว่าให้ศึกษานะคลาสก็ว่าเป็นอ น, นัตนะ น, นี่ยอนัตคำสั่งของพระพุทธเจ้าเลยว่าเธอต้องไปปฏิบัติอย่างนี้นะนะส่วนปฏิบัติได้มากน้อยก็ตามสติกำลังว่างอนันนะซาซาโนปฏิปติหรือเปล่าก็ได้ยินนะเขาสวดเขาว่าไงนะก่อนซาสาโนปฏิปฏิเขาว่าไงนะ การปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์เถิด น, นะนะก็เคยฟังเข้ามานะเลยจําได้ท้ายๆนิดหน่อยเดี๋ยวสวดเองแล้วจะจำได้นะนะจำได้แต่ถ้าของพิสูจําได้นะทีคคู่นางศิค้าซาชีวสมาปนาอะไรเงี้ยจําได้ดูกอรพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและแตะกร้ามาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะ ก, กระทําแผ่นดินอันใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินดังนี้ เขาขุดลงในที่ตรงนั้นๆโกลยขี้ดินขึ้นทิ้งในที่นั้นนั้นบ้วนน้ําลายลงในที่นั้นๆแล้วกล่าวสาทับว่าเอ e n อย่าเป็นแผ่นดินดังนี้เป็นไปได้ไหมนะพิสูจทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนบุรุษนั้นจะทําแผ่นดินอันใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินได้หรือไม่พิกูจน์เหล่านั้นทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าแผ่นดินอันใหญ่นี้ลึก หาประมาณไม่ได้เขาจะทำแผ่นดินอันใหญ่นี้ไม่ให้เป็นแผ่นดินไม่ได้ง่ายเลยก็แลบุรุษนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยลาบากเสียเปล่าแน่แท้ดังนี้แม้ฉันใดนะแล้วพระองค์ก็อุปมาว่าคนถ้าจะกล่าวกับเราก็กล่าวด้วยชั้นต้นเลยกล่าวด้วยการที่สมควรหรือไม่สมควรนะกล่าวเรื่องจริงหรือไม่จริงถ้อยคำที่พูดอ่อนหวานหรือหยาบคาย เรื่องที่พูดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จิตที่เขาพูดมีโทสะหรือมีเมตตาห้าอย่างเนี่นะก็ฉะนั้นเหมือนกันนะถึงเขาจะกล่าวอย่างนั้นก็ช่างเถอะแม้ในข้อนั้นพวกเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปรวนจากไม่เปล่งวาจาที่ชั่วจากอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เราจากมีเมตตาจิตไม่มีโทสะภายในเราจากแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเราจากแผ่ เมตตาจิตอันเสมอด้วยแผ่นดินภัยบูรใหญย่ยิ่งหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทไปตลอดโลกทุกคิดทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้เิกสูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาด้วยอาการดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละนะข้อแรกพระ อ, องค์ก็ประมาณเหมือนกับแผ่นดินใช่ไหมข้อสองบอกว่าเปรียบบุรถือเอาครั่งก็ตาม สีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงก็ตามมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศดังนี้กระทารูปให้ปรากฏชัดนะโอว่าตรงนี้พระองค์ก็นะโดยสรุปก็คือพระองค์นี้ให้ทําใจเหมือนกับอากาศนะอากาศนี่คนขีดเขียนไม่ได้ทราบอย่างนะก็ให้ทําจิตนี้เป็นในลักษณะนั้นข้อแรกเหมือนแผ่นดินนะ แผ่นดินเนี่ยใครจะมาทําอะไร ก, ก็ไม่ได้บางั้นให้ทําใจให้หนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินทําใจให้ว่างเหมือนกับอากาศคือไม่รับเอาไอ้ถ้อยคําเหล่านั้นที่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะมานะแล้วก็เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาคบญ่าที่จุดไฟมาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทําแม่น้ํำคงคาให้ร้อนจัดให้เดือดเป็นควันพุ่งด้วยคบญ่าที่จุดไฟแล้วนี้แม่น้ําคงคาเนี่ยนะกว้างเป็นยุกว้างจริงๆนะ เขาบอกกว้างเป็นยอดยดจริงหรือเปล่าไม่ทาบเคเห็นไหมแม่น้ําคงคาที use, ่เขาไปล้างบาปกัน <rene> อ hmm, ่ะกว้างกว้างมากไหมไม่มากเลยเฮ้เราไปไปดูตรงมันแคบมั้งแต่ว่าเท่าที่ที่ดูในภาพนะแม่น้ําคงคาเนี่กว้างจริงๆนะที่ดูในภาพอะไรนนะอ๋ออ่ยาวนี่ทุกทุกสายอยู่แล้วต่อแม่น้ําเนี่ยถนนทุกสายยาวอยู่แล้ว แม่น้ําคงคาเนี่ยนะแต่ก็กว้างจริงๆนะ จ, จ, จากจากฝากนี้แต่ว่าบางแห่งที่ไปดูอาจจะดูตรงที่แคบก็ได้ <c oughs> อนะัไปเอาเอาเอ า, เอาควบย้าเนี่ยนะไปจุดทําให้แม่น้ําคงคาเดือดนี่ทําได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าให้เอาเมตตาจิตเนี่ยเปรียบเหมือนกับแม่น้ำํำคงคาคือมันเย็นอนะใครทํายังไงก็ไม่ร้อนอย่างนั้นแถอะ แล้วก็ข้ออุปมาอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเปรียบเหมือนกระสอบหนังแมวที่นายช่างหนังฟอกดีเรียบร้อยแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นและสาลีที่กระสอบนะคือเป็นกระสอบที่ตีได้ไม่ดังกล้องถ้ามีบุรุษถือเอาไม้หรือกระเบื้องมาพูดอย่างนี้ว่าเราจะทํากระสอบหนังแมวที่เขาฟอกไว้ดีแล้ว นะที่ฟอกเรียบร้อยเนี่ยนะอ่อนนุ่มดังปวยนุ่นและสำลัำรีที่ตีได้ไม่ดังตีไม่ดังกล้องเหมือนกลองเพลอย่างเงี้ยนะให้เป็นสิ่งที่มีเสียงดังกล้องด้วยไม้หรือกระเบื้องดังนี้คือคือไอ้ตีเนี่ยมันก็ดังบ้างแหละกระทบมันก็ดังบ้างนะแต่มันก็ไม่ได้ได้เสียงดังกล้องอะไรนะอันพระองค์ก็บอกว่าให้ทํำเมตตาจิตเนี่ยให้อ่อนโยนเหมือนลักษณะนั้น น, น, นะนะเวลาเขามาพูดกับเราเขาพูดด้วยสำนวนใดๆก็ช่างเถอะ แล้วก็ยังรักษาใจเอาไว้ได้แล้วก็ข้อสุดท้ายานะพระองค์สรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากจะมีพวกโจรผู้มีความประพฤตต่าช้าเอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของพวกเธอแม้ในเหตุนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีจิตคิดร้ายต่อโจรเหล่านั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้กระทาตามคาสั่งสอนของเรา เพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นภิกษุทั้งหลายแม้ในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากไม่แปรปรวนจากไม่เปล่งวาจาที่ชั่วจากอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยประโยชน์จากมีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในเราจากแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคล น, นั้นและจากและเราจากแผ่เมตตาจิตอันไพบู์ใหญ่ยิ่งหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้แลโดยการภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอควรใส่ใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อนนี้เนืองนิดเถิดเหมือนกันว่าไปคิดอย่างนี้บ่อยๆนะเหมือนนพวกเธอจะได้ไม่มองเห็นทางแห่งถ้อยคําที่ มีโทษน้อยหรือโทษมากที่พวกเธอจะอดกลั้นไม่ได้หรือจะยังมีอยู่บ้างมีไหมถ้าหากว่านึกถึงโอวาสนี้บ่อยๆเนี่ยบอกโอ้ไม่มีอะไรที่ทนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมีไหมบอกว่าพิสุกก็บอกไม่มีพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละพิสุทั้งหลายพวกเธอจงใส่ใจถึงโอวาสอันเปรียบด้วยเรื่อๆนี้เนืองนิดเถิดข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกเธอสิ้นกาลนานดังนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระผู้ตรพนี้แล้วพิสูจนเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้านะผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนี้แหละเรียกว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะที่ปฏิบัติไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะเราจะได้เห็นว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยใจของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะท่านท่านไม่โกรธนะแต่คนมีกิเลสอย่าไปยั่วเขากัแล้วกันยเดี๋ยวหลบไม่ทันนะยุ่งเลยนะ เราก็ไปลองตะบะเข้าไม่ได้นะบางทีมีดอยู่ใกล้ขวานอยู่ใกล้นี่อาจจะหวัวบินมาเลยเนี่ยลำบากอกีก